ขอโมราณาครพวกเราตั้งใจในการศึกษาพระธรรมในการกล่าวคํานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บอกว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง mm hmm. เราท่านทั้งหลายเวลาจะศึกษาพระธรรมก็กล่าวนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า mm hmm. เรียกเป็นการไหว้เป็นการเคารพนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเคารพพระบรมศาสดาตอนเช้าศึกษาในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้ในความเห็นผิดต่างๆเหล่านั้นก็ยังยังไม่จบก็คือต้องการจะศึกษาเพื่อทําความเข้าใจในคําสอนของพุทธเจ้าให้มากยิ่งขึ้นก็โดยเฉพาะเกี่ยวในเรื่องของความเห็นความเห็นผิดทั้งหลายเนี่ยนะเหตุผลในการกรณีที่เราท่านทั้งหลายต้องมาศึกษาตรงนี้ก็เพราะว่าต้องการอยากจะทราบพระธรรมคําสอนของพระพูทมีพระภาคเจ้า ทีนี้ก็จะเชื่อมโยงทั้งในคัมภีพระไตรปิฎกอรตถกถาแล้วก็ในชั้นของดีกาทีนี้ว่าก็ไม่รู้จะตามได้แค่ไหนเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศแห่งการศึกษาก็แตก ต, ต่างๆกันออกไปเพราะว่าการเข้าใจในคําสอนต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายที่เป็นบูุชนกันเนี่ยนะเวลาจะศึกษาคําสอนแล้วก็ความเข้าใจแต่ละวันก็ไม่เท่ากันบางวันก็ดูเหมือนฟังอะไรแล้วก็เข้าใจดี ไม่ใช่แต่เฉพาะแต่ผู้ฟังนะผู้พูดก็จะเป็นอย่างนั้นแหละบางวันก็รู้สึกว่าโอ้โหมีความชัดเจนในพระธรรมพอสมควรเนี่ยนะบางวันก็รู้สึกโอ้โอะอะไรก็ไม่รู้ติดขาดเนี่ยนะแต่ก็ตรงนี้นี่แหละบ่งบอกความไม่แน่นอนอะไรเนาะจึงเป็นปัจจัยทําให้ความเห็นผิดเนี่ยบางวันก็หลุมเล้ามากบางวันก็หลุมเล่าน้อยเนี่ยนะเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าการเจริญสมาธิที่ของเราท่านทั้งหลายไม่ต่อเนื่อง ฉะนั้นการเจริญสมาธิฏฐิของเราท่านทั้งหลายที่ไม่ต่อเนื่องนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยยงตัวอย่างเช่นในสมาธิฐิสูตรก็ดีในมหาจตารีสกัสูตรเป็นต้นก็ดีใช่ไหมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงสมาสมาธิที่เป็นอริยะเกเทอทั้งหลายบอกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวครัทีนี้สมาสมาธินั้นน่ยที่มีเหตุสาอุปนิสังที่มีปริขาระอยู่องค์ประกอบสัพปริขารังน่ยสัพปริขาระ มีองค์ประกอบเออสัมมาสมาธินั้นที่เป็นสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะสัมมาสมาธิที่เป็นโลภุตละนั้นมีเหตุมีองค์ประกอบนะทีนี้เหตุและก็องค์ประกอบของสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะก็คือสมาทิฏฐิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมฐานสัมมาอาชีวะสมมาอวยมาสมาสตินี่คือเหตุนี่คือองค์ประกอบของสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะและท่านก็แสดงไปตามลำดับใช่ไหมในบรรดาองค์7ประการในบรรดาองค์7ประการเหล่านั้นที่บอกว่ารู้จัก สมาธิที่ว่าเป็นสมาธิิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ของเธอนั้นจริงจะเป็นสมาธิิอย่างเนี้ยทีนี้ตัวสมาธิิที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันนะเบื้องต้นตรงนี้ก็คือโลกีาสมาธิิที่เป็นไปในส่วนของวิปัสนาสมาธิิทีนี้ก่อนที่จะถึงวิปัสนาสมาธิินั้นน่ยต้องมาเข้าใจให้ชัดก่อนว่ากรรมสกตาสมาธินั้นคืออะไร ในตรงนี้เวลาเราจะศึกษาเรื่องศึกษาเรื่องสมาธิทห้ชัดก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมสกตาสมาธิิฐกา ร, รมสกตาสมาธิิฐนั้นถ้าจะเข้าใจชัดหรือไม่ชัดต้องไปดูในสมาธิสูตรใช่ไหมในสมาธิฐสูตรในมัชฌิมานิกายมูลปัญณาสูตรที่9ใช่ไหมพอแสดงสมาธิสูตรจบก็แสดงสติปัฏฐานสูตรนี่นะนั่นในสูตรนั้นนั่นแหละที่พระพุทธองค์ทรงแสดงย่อเขาวะแล้วต่อมาท่านพระสารีบุตรเป็นคนแสดงท่านพระองค์แสดงต่ออีกท่าน เพระภาษาลิบุตรที่เป็นผู้ขยายในสูตรนี้จริงๆนะี่ยภาษาลิบุตรก็ขยายความเกี่ยวในเรื่องของสมาธิทิฏวะและในสมาธิทิฏในที่นั้นนะอันนี้ก็อาศัยจำจำมานี่ น, นีไม่ได้ามาหรอกก็หมายความว่าในข้อแรกนั้นนให้รู้ชัดอ ก, กุศลแล้วก็ราดเงาของอกุศลรู้ชัดของกุศลกรบวชสิบแล้วก็รากเงาของอกุศลกรรบวชสิบใช่ไหมหรือรากเงาของกุศลกรบวชสิบอะไรคืออกศุศลกรรมบวชสิ ก็คือปาณาติบาตอธินนาทานการเมสุมิจฉาจานเนี่ยนะอันนี้ส่วนของกายกรรมที่เป็นบาปแวัจีกรรมก็มีมุสาวาตปีสุนาวาจาพุทธสาวาจาสัมผาภราปักอันนี้เกี่ยวในเรื่องของวัจีทุจริตส่วนในเรื่องของใจก็มีพยาบาทเออนะีแล้วก็กา ร, รมฉันทาพยาบาทแล้วก็มิฉาทิฏฐิสรุปก็คือ น, นี่คืออกุศลกรรมบท10สิทธามาอากุศลกรรมบุสิทธินี้มีอะไรเป็นรากเหง้าก็บอกว่าโลภ โทสะโมหะนั่นเป็นรากเงาของอกุศลกรมรมบวชสิทธิเนี่ยนี่ก็รู้ชัดอกุศลแล้วก็รากเงาของอกุศลรู้ชัดกุศลก็พกงดเว้นจากปาณาติบาตินนาทานกาเมสุมิฉาจานมุสาวาตปิสุนาวาจพาพุรสวาจาสรัสบปราปากแล้วก็เกี่ยวนเรื่องของเนคขมมะก็คือเกี่ยวเนิองการไม่โลภนั่นแหละไม่โลภแล้วก็อัพยาปาทาก็คือไม่โกรธแล้วก็สัมมาทิฏฐิอันนี้คือกุศลกรมรมบวชสทธิ รากเง้าของเขาก็คืออะโรพาอะโทสากแล้วก็อะโมหะอย่างเงี้ยนีการรู้ชัดกุศลกมวรสิบแล้วก็รากเง้าของกุศลกรมบทสิบก็คืออะโรพาเหตุอโทสัเหตุอโมาเหตุทีนี้ตรงนี้เนี่ยแหลเาเรียกกรรมกรรมสกตาสมาธิถีนั้นไปเข้าใจในเรื่องของเจตนากรรมแล้วก็ผลของกรรมทีนี้ถ้าบอกว่าเข้าใจในเรื่องของกรรมเนี่ยอย่างสัต์บุคคลเป็นผู้ทำกรรมสัตว์บุคคลเป็นผู้รับผลของกรรมนี่เบื้องต้นก็เข้าใจอย่างนี้ ทีนี้ในความเข้าใจอย่างนี้นั้นไม่ใช่เป็นปัญญาแท้ถ้าปัญญาหรือสภาวะของปัญญาแท้ๆเลยเนี่ยสภาวะของปัญญาจริงๆนั้นก็จะเข้าใจคําว่ากระแสขันา ธ, ธนาตาอายตนะเป็นผู้ทํากรรมแล้วก็กระแสของขันทา่อนาอายะตนะเป็นผู้รับผลของกรรมอันนี้แปลว่าชัดแล้วใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อกี้เราท่านทั้งหลายทำบุตรกรรมด้วยการฟังธรรมตอนเช้าต่อมาก็มีการถวายทานเห็นไหมแล้วก็ถวายวัตถุทานทั้งหลายก็ลองมาพิจารณาดูทีว่า ถามว่าใครเป็นคนทํากรรมใช่ไหมแล้วก็บัญญัติสัตว์ตว์บุคคลขึ้นมาเป็นผู้ทํากรรมได้ก็กําหนดชื่อบุคคลไปชื่ออะไรกอขอของงอก็อว่ากันไปนั่นคือสัตว์บุคคลกําลังทํากรรมและก็มีสัตว์บุคคลเป็นผู้รับผลของกรรมเขาเรียกกุศลกรรมเช่นถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าถ้าสัตว์บุคคลเป็นผู้บูชาพระุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านัา่นแหละคือบุคคลที่เราบูชาอันนั้นก็เรียกนึกเรียกโดยบุคคลโดยสัตว์บุคคลเหมือนกันใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็คือเป็น เราไม่ได้เพ่งถึงสภาวะอะไรแต่พออยู่ต่อมาความพัฒนาจากการศึกษาพระธรรมมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสัตว์บุคคลไม่มีแ ท, ท้จริงเป็นชื่อของขันธ์ธาตุอยายตนะต่าหาเป็นผู้ที่กำลังกระทํากุศลกรรมอยู่และในขณะที่กุศลกรรมเกิดขึ้นเช่นความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นตลอดถึงเจตนาที่เป็นไปกับกุศลจิตุว่าดฉะนั้นกุศลจิตว่าดที่เป็นไปเกี่ยวกับการทำกรรมแทบไม่ใช่ ตอนนั้นตัวเจตนากรรมเป็นประธานบ้างตัวศรัทธาเป็นประธานบ้างและตัวปัญญาเป็นประธานบ้างก็แล้วแต่สถานะแต่ที่แน่ๆก็คือตรงนั้นมีเจตนากรรมนั่นแหละเป็นประธานเป็นส่วนใหญ่เพราะสัตวนั้นเป็นผู้ทํากรรมอยู่น้อมเป็นกายกรรมออกมาทางกายน้อมเป็นวจีกรรมคือการเปล่งวจีเพศออกมาน้อมเป็นมโนกรรมก็คือจิตนั่นก็คิดเป็นไปกับกุศลทั้งที่เป็นปุพพะเจตนาเป็นมุญจ่าเจตนาแล้วก็เป็นอัปปะเจตนาสรุปแล้วก็คือกลุ่มของเจตนาทั้งหลาย กลุ่มของภาาัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกกตาชีวิตินทรีย์มนัสิการในกลุ่มของวิตกวิจารในที่มกวิริยาปีติฉันทะในกลุ่มของสัท ธ, ธาวิรยิยศรัทธาสติหรือโอตปาอโลภะอโลภะตัตตะมะเชตตากายปสัสสติจิตาปสัสสติเป็นต้นไปจนถึงปัญญาสรุปแล้วก็คือกลุ่มในด้านของกุศลจิตอุบาบาทพร้อมทั้งเจตสิกที่ประกอบทั้งหลายนั่นคือกลุ่มนามนธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นมีเจตนามีศรัทธาหรือมีปัญญาเป็นต้นเป็นตัวนํา เป็นต้นเนี่ยนะแล้วแต่สถานะของแต่ละบุคคลแต่ที่แน่ๆเป็นกรรมคือกุศลกรรมในการหลที่ทํากรรมทีนี้ในการทํากรรมในการนอบน้อมํานอบนอบ้นอมอะไรใช่ไหมข้าพเจ้าเป็นผู้มีสาระมีอะไรมีสภาวะพุทธะเป็นสาระสภาวะธรรมะเป็นสาระมีสภาวะสังขารนั่นแหละเป็นสาระใช่ไหมคาว่าข้าพเจ้าในที่นั่นก็คือกุศลจิตตัวบาทของท่านทั้งหลายนยั่นแหละ มีสภาวะพุทธธรรมสังฆะคือสภาวะที่ดับทุกขนะ์ในเป็นสาสนานะเป็นผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมไหมเชื่อกรรมเชื่อการกระทำตอนนี้ข้าพเจ้าจะมาประกอบกุศลจิตุบาตในการที่จะกระทำกรรมโดยการถวายอะไรสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ท่านทั้งหลายระบุมาฉะนั้นในขณะที่ท่านระบุมาทั้งหลายเหล่านั้นแท้ที่จริงสรุปลงก็คือว่าจะเป็นบอกว่าเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นผ้าถูพื้นเป็นน้ํายาซัก ผ้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเเครื่องทำซีุงซีดีอะไรต่างๆแผ่นบันทึกซีดีตั้งหลายอันนั้นคืออะไรใช่มสมมติบัญญัติที่บัญญัติไว้แท้ที่จริงก็คือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุอวินิพรกรูป8เป็นส่วนของหมหาพุทธลูปเป็นรูปใหญ่4ี่อุปาทายรูปเป็นรูปที่อาศัยสี4รวมเป็น8รูปนั่นก็เรียกอวิญิภคกรูป8 เห็นไหมว่าจริงๆแล้วในกลุ่มของนามธรรมา ท, ทั้งหลายมีศรัทธามีเจตนาและปัญญาเป็นต้นในการที่จะน้อมให้ใช่ไหมทีนี้ในกลุ่มของนามธรรมา ท, ทั้งหลายนั้นตั้งอยู่บนหาทายวัตถุของรูปธรรม ท, ทั้งหลายสรุปแล้วก็คือขันห้าของเราท่านทั้งหลายนี่แหละขันเลยธาตุเลยอายตนะเองที่กำลังหมุนเปลี่ยนไปอยู่เนี้ยมีการน้อมเอามหาพุทธ ร, รูปที่สมมุติว่าเป็นข้าวของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้ที่จะเป็นประโยชน์เราเนี้ยน้อมถวายเป็นพุทธวูชาใช่ไหม บูชาต่อพระรัตนตรัยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การที่จะใช้สอยเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์เราตั้งเจตนาอย่างนั้นแล้วปรารถนาอะไรเดินตามสภาวะพุท ธ, ธเพื่อจะแทงตลอดสภาวะธรรมะเพื่อจะเข้าเป็นสังขะใช่มเพื่อจะตัดรู้ตามพุท ธ, ธนั้นๆทนี่การสละเนี่ยตัดอะไรตัดมัชเชียตอนนั้นทา น, น, นกุศลนี่ขัดเกาอโรภัทยาศัยศินกุศลขัดเกา อโทสัตยาใส่เป็นต้นขันติแล้วก็เมตตาเพิ่มมาไปอีกอย่างเนี้ยก็ขัดเก่าอาโมหะหรือปัญญาก็ปัญญาบรารมีก็สร้างอาโมหัทยาสัยสร้างอัตยาสัยที่ไม่ไม่หลงอย่างเงี้ยนะก็ก็เปลียนไปแล้วถ้าในลักษณะอย่างเนี้ยเราจะเห็นอะไรหนึ่งผู้ทํากรรมไม่มีสัตว์บุคคลที่ทํากรรมไม่มีเห็นแต่เพียงกระแสขันธ์าตุอายตนะกําลังทํากรรมและผู้รับผลกรรมก็ไม่มี ก็จะเห็นเงากระแสขันท่าอายตนะตั า, าตงหาเป็นผู้ที่จะต้องรับผลของการกระทำนี้ทีนี้พอไปเบ็ดเสร็จอย่างนี้แล้วเลยมีความเห็นว่าผู้ทํากรรมไม่มีผู้รับผลกรรมก็มีไม่มีแท้ที่จริงก็คือธรรมะล้วนๆเท่านั้นเป็นไปเห็นไหมเห็นกระแสของขั น, านาท่าอายตนะเท่านั้นกําลังเดินไปอยู่กําลังเป็นไปอยู่การเห็นในลักษณะอย่างนี้ในคําสอนทั้งหลายแม้ในคัพิมพ์วิสุทธิมารทั้งหลายเป็นต้นท่า น, นบอกนี่เห็นแบบนี้ก็ เ, เรียกสัมมาทัศนะ อย่างนี้เขาเรียกเห็นสัมมาทัศนะถามว่าความเห็นอย่างนี้ต้องใช้สัมมาทิฏฐิอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิและการเห็นต้องเพียรพยายามเพื่อจะให้มีความเห็นแบบนี้เข้าถึงความเห็นอย่างนี้ให้ได้ชัดขึ้นสติก็ต้องตามระลึกเพื่อจะเห็นแบบนี้เพืจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ชัดขึ้นและในขณะเดียวกันก็เพียรเนระมิฉาทิฏฐิไหมเพียรระมิจฉาทิฏฐิเพียรระลึกในการที่จะละมิฉาทิฏฐิเข้าถึงสัมมาทิฏฐิปัญญาก็เข้าไปวิจัยให้เห็นแบบนี้กว้างขวางขึ้น ไม่ใช่เห็นแค่วัตถุชิ้นเดียวที่จะถวายเท่านั้นว่าเห็นโดยความเป็นธาตุเห็นโดยความเป็นขันไม่ใช่เห็นด้วยความเป็นขันธาตุญาณธาตโดยความเป็นผู้ทำบุญอย่างเดียวเท่านั้นแม้ขันญาณธาตุในการรักษาศีลขันญาณธาตุในการเจริญภาวนาขันญาณธาตุในการอ่อนน้อมขันญาณธาตุในการฟังธรรมขันญาณธาตุในการแสดงธรรมขันญาณธาตุในการที่ทำความเห็นให้ตรงยันขันญาณธาตุในการให้ส่วนบุญรับส่วนบุญอะไรต่างๆไหม ขานยธนท่าที่เป็นไปกระทานในกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอปยายนะวยาวจับปฏิธานะปัจจานุโมทนาธรรมะสวนาธรรมเทศนาที่ถูกชุกกรรมก็ลองคิดดูที่กระแสขัน ท, าท่ยายธนทาที่มันหมุนไปในกระแสจิตเราท่านทั้งหลายที่มีความเข้าใจอย่างนี้อย่างต่อเ น, นื่องและปริมาณจะกว้างขวางสักเพียงไรและในที่สุดจริงๆสัมมาทัศนะจะกว้างขวางมากก็เหมือนกระถางป่าใช่ไหมก็เหมือนกระถางป่าพราะถางเป็นเสร็ก็ไฟเผา ทางเวทศิลก็ไฟเผาก็เหมือนแต่ทางท้ประหารก็จะละความเข้าใจผิดเรื่อยๆละความเข้าใจผิดเรื่อยๆปริมาณของการละความเข้าใจผิดเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นปริมาณสมาธิทิฏก็แผ่ขยายกว้างขึ้นถามว่าอารมณ์นี้มาปรากฏทางตาก็ชัดเห็นในความเป็นขันธะในยตนะอารมณ์ที่มากระทบทางตวานหูจมูกเล่นกายใจต่างๆเรือนี้ก็เห็นแบบนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นมากขึ้นในี่สุดจริงๆก็เหมาะแกการที่จะเอาอริยมรรคประชุมลงในกระแสขันก็เหมือนกับเหมาะแก่การที่จะเพาะปูกข้าวกล้า นี่แปลงนาในผืนนานั้นนะแต่ตอนนี้ย่าเพิ่งไปปลูกนะเพราะมันลอกลุงรังไว้ด้วยลอกชัดคือทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ศักระยะทิฏฐิเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยมันหนานแน่นในกระแสขันธาระยะตนะของท่านทั้งหลายมากยังไม่ได้จัดการถางด้วยวิปาาัสนาญาณซึ่งเป็นปุริจาริกเลยวิปัสนาญาณเป็นปุริจาริของมรรคสมาทิฏฐิตอนเนี้ยังไม่ได้เอาวิปัสนาญาณมาถังเลยจะประชมอริยมรรคแล้วเนี่ยจะประชมยังไงประชมไม่ได้ แปลว่าป่าดงนั้นมันยังไม่ถางใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ถางแล้วจะเอาข้าวกล้ามาลงได้ยังไงเข้าใจไหมเนี่ยนี่มันลงไม่ได้ตอนนี้ฉะนั้นมัดสักมัดประชุมไม่ได้เลยตอนเนี้มาประชุมอย่างนี้จะมาอย่างไงก็เป็นมิจฉ ร, รมัดใช่ไหมปนแล้วตอนนี้หรือเป็นมิจฉามัดกัได้อยู่ตอนนี้มิจฉามัดนั้นไม่ต้องไปถางไม่ต้องไปลงมือไม่ต้องไปลงมือทําสมาธิถีหรือสมาวิาา ม, ามารสมาสติในการที่จะไปห้อมล้อม ก็ขยายวงจรของสมาธิให้กว้างขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นนะสมาธิสมาวยมาสมาสติเนี่ยต้องไปจัดการช่วยสมาสังกปะแล้วก็ขยายสมาสังกปะให้กว้างขึ้นในทุกๆอารมณ์แล้วก็ไปจัดการกับสมาวิวาจาแล้วก็ไปขยายสมาวิจาร์เนี่ยสมาธิฐสมาวยมาสมาสติเนี่ยไปขยายสมาวิจาให้กว้างขึ้นใช่ไหมพูดทุกเรื่องให้เป็นสมาวาจาร์ได้เบื้องต้นจะเป็นคาถาสมาวิจา เจตนาสัมมาวจาร์เพื่อจะเป็นปัจจัยเกี่วิริยติสัมมาวจาร์อีกชั้นของโลภุตลาอันดนต้องถึงขนาดนั้นสัมมากรรมตาก็ต้องเอาสมาทิฏฐิสัมมาวยามัสมาสติเนี่ยไปล้อมเขาไว้ไปล้อมสัมมากรรมตากเพื่อจะล่ามิจฉากรรมตากในสัมมาอาชีวะก็เหมือนกันเอาสมาทิฏฐิสัมมาวยามัสมาสติไปล้อมใชหมสัมมาอชีวะเข้าไว้แล้วก็ขยายวงของสัมมาอชีวะให้กว้างขึ้นกระจายไปเนี่ยนู่นนั่นไปจนถึงสมาสติ ว่าสมาสมาธินั้นตั้งเป็นอริยไว้อยู่แล้วใช่ไหมสรุปก็คือต้องจัดการอยู่แล้วต้องจัดการสมาสมาธิไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนี่ไงจะทํำยังไงที่เราจะขยายวงวงเราจะขยายความกว้างขวางของสมาธิให้มากขึ้นตอนนี้มันอาจจะแคบอยู่กับเรื่องใดเรื่องเราย่าคิดว่าเราจะไม่มีสมาธิทุกเรื่องนี่บางครั้งเราก็เข้าใจใช่ไหมแต่ว่ามันไม่กว้างทําไมถึงไม่กว้างขาดความเพียรทําไมยังขาดความเพียรเพราะไม่มีศรัทธาทําไมยังขาดศรัทธา เพราะไม่ฟ <información? S 2> mm ังธรรมทำไมยังไม่ฟังธรรมเพราะไม่ครบบัณฑิตนี้เราว่าไปเรื่อยๆดิทำไมยังไม่ครบบัณฑิตเพราะไม่อยู่ในถิ่นที่สมควรทำไมไม่อยู่ในถิ่นที่สมควรใช่ไหมไม่มีปุเพกตะนั่นอ่าทำไมถึงไม่มีปุเพกตะปัญญาตาอ่าไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งอัตตะสมาภายในที่ทำไมไม่ตั้งเพราะเราเป็นวิจารณิที่จบเลยตอนนี้กําลังเรียนวิจาริที่อยู่เนี่ยเพราะเราเป็นวิจารณิเอ่เราต้องเคลียร์วิจาริที่ออกก่อนถ้าเคลียร์วิจารณิที่ไม่ออกก็ไม่รู้ว่านี่คือวิจารณิที่นี่เป็นอย่างงี้นี่มองเห็นนะ แต่ตอนนี้ยังเป็นวิจาทิฏฐิอยู่หรึเปล่าเป็นหรึเปล่านี่ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเนี่ยบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดส่วนใหญ่เกิดนเนี่ยนะส่วนใหญ่เกิดถ้ามีใครว่าเราเป็นวิจาทิฏฐิเราโกรธรีบว่าก่อนไม่เป็นไรก็ว่าแต่ว่าจริงๆเป็นนี่วิจาทิฏฐิยังมีอยู่ในกระแสของขันธ์ธาติาตยตนาอยู่เนาะทีนี้ก็ไปดูอย่างนี้ตัวอัตวาทุปาทานนี่แหละตอนนี้นี่แหละสาคัญมากตัวยึดมั่นในขันห้ายึดมั่นในขันห้า ยึดมั่นยังไงยึดมั่นด้วยอํานาจของอัตตาตัวตนองค์ธรรมที่แก่ทิฏฐิเจตสิกในที่เกี่ยวกับสักยะทิฏฐิเนี่ยนะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอุปาทานนั้นตัวอุปาทานเนี่ยต้องไปทําความเข้าใจให้ดีเพื่อจะได้เพื่อจะได้ค้นหาแล้วก็จะได้ละเขาให้ได้เนี่ยตัวอุปาทานทั้งหลายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าเข้าใจในเรื่องของอุปาทานอย่างนี้ชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยการทําความเข้าใจก็จะก็จะไม่ยากเท่าไหร่ในเรื่องของอุปาทานเนี่ยนะ เดี๋ยวไปดูในในบรรดาทิฏฐิที่จริงจะดูในทีนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนในตอนเช้าได้พูดไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ใช้คําว่าเราไม่เร็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุนั่นแหละที่จะเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจเจริญไปบูุญยิ่งขึ้นเนี่ยเหมือนกับอโยนิโสมณสิกขันเปนต้ลเนี่ยนะ เดี๋ยวรุปตรงนี้ก็คืออโยนิสมนัิการนั้นเป็นปัจจัยกับมิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นและมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วเจริญไปบุญยิ่งึ้นไพ่ตรงนั้นก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกัเรื่องของว่าถ้าโยนิสมนสัสการก็เป็นปัจจัยเกิดสมัยทิฏฐิใช่ไหมงั้นการทําไว้ในใจโดยอุบายเนี่ยอันไม่แยกคายเป็นตัวเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเกิดมิจฉาทิฏฐิที่ไม่เคยเกิดในการก่อนก็ย่อมเกิดขึ้นส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญไปบุญจนถึงการก้าววล่่งสูมมิิฉัตตนยาาะคือกร ก้าวลงสู่นิยามคือปฏิสนธิมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าเป็นอันเจริญขึ้นแล้วเมื่อบุคคลมีท า, ากว่ามีอายนิสโสมนัสิการแล้วเนี่ยนทะ่านถึงบอกว่าสัตว์ที่ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฏฐินี่นะดูกนภิกษุทั้งหลายเราไม่เลงเห็นซึ่งทำอย่างอื่นแม้อย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นไปในเบื้องหน้าเพราะความแตกแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลาย ดูการภิสูจ์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบพร้อมด้วยมิจฉาทิฏฐิผู้มีความตายเป็นไปในเบื้องหน้าและความแตกแห่งกายย่อมเข้าถึงอาบายทุคติมิริบัตรนระกดังนี้ที่ในมิจฉาทิฏฐิบางอย่างย่อมเป็นเครื่องกั้นสวรรค์ด้วยเป็นเครื่องกั้นมรด้วยมีสโสดาปริมรคเป็นต้นด้วยบางอย่างเป็นเครื่องกั้นมรด์เท่านั้นไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์ทัานกล่าวว่าอย่างนั้นบางอย่างไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์ไม่เป็นเครื่องกัก้นมรด์ทีเดียวเดวดามิจฉาทิฏฐินั้นมิิิาท สามอย่างมีเหตุการทิฏฐิอกเริยทิฏฐินากติกาทิฏฐิเข้าใจคําว่าเหตุการิฏฐิไหนี่คือปฏิเสธเหตุนะแล้วก็อักเรียทิฏฐิมีปฏิเสธการกระทําปฏิเสธการกระทําทุกอย่างถ้าจะพูดไปตรงนี้ก็คือปฏิเสธในเรื่องของปัจจุบันกรรมที่จริงกําลังลังเลลังเลอยู่เนี่ยว่าจะเอาในยะของกรรมมาพูดให้ลึกๆก็ไม่รู้จะเป็นเรื่องหนักใจหรือเปล่าก็แค่นั้นเด็หนักไหมไม่หนักเนาะฟังเข้าใจเด็ คำว่าลึกในที่นี้ก็คือมันไม่ไปอะไรมากนะก็เพียงต้องการจะพูดว่าบางทีอธิบายแล้วเนี่ยอาจจะใช้ศัพท์อะไรที่อะไรมากใช่ไหมก็มานั่งเกงเกงใจกันอยู่นี่แหละนะเพราะว่าหนึ่งเวลาท้าอธิบายอย่างนี้ทีไรแล้วหนึ่งเกงใจตัวเองด้วยคือตัวเองก็ต้องหนักคือใช้ตัวเองหนักไปไหมอะไรเงี้ยนีอ่ะก็คือนี่ในบรรดาทิศที่สามประการก่อนอธิบายตรงนี้ก่อนเนาะคือปุเพ กระตะเหี้ตัวทิฐิความเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่เพราะผลของกรรมเก่านี่มีเข้าใจตรงนี้ก่อนนะที่จริงน่าจะอธิบายตรงนั้นให้มันจบกระบวนท่าลงก่อนดีสักไปใช่ไหมพอไม่อธิบายตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปหงกลับไปย้อนอศัพท์เพราะหลายๆท่านก็ยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องอธิบายเรื่องต่ําเท่าไหร่เรื่องทิถิเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ไว้ทีหลังดีกว่าเวลา ย, ยังมีโอ้โหเหลือเวลาอ๋อ ก็นี่แหละเป็นอย่างเงี้ยทั้งนั้นเราไม่ต้องเร่งเวลาดีกว่าแค่ไหนก็แค่นั้นได้กค่ไหนก็แค่นั้นเจา้ามาเพราะถ้าอย่างเงี้สบายใจเป็นไงก็เอาว่ากันไปถ้าอย่างนี้ก็ก็ไอ้มาก็ไม่ต้องไปเร่งเหมือนพูดไปพูดมามาก็มากระจุกตัวเองอุ๊ยอยไม่ทันบ้างอะไรบ้างไอ้มาก็รู้สึกว่าถ้าปัญญาอย่างงั้นเหมือนคนเอาปืนจี้ไม่ดีเ่้ามาอธิบายเป็นไปตามลำดับอี้สรุปตรงนี้ก็คือจะอธิบายเกี่ยวในเรื่องของนาฏกาทิฐิอันนีวัตถุ10ก่อน นักทิศทิฏฐิอันมีวัตถุสิบ ป, ประการเนี่ยมาในไหนในอจักกถาปฏิสัมพิทามักตอนที่ว่าด้วยยานกถามหากรุณามหากรุณาญาณนิเทศและก็ในอัตกสาลีนีในอุปาทานโคชกาและก็ทิฏฐูปาทานานิเทศได้ท่านอธิบายนัติิาทิฏฐิอันมีวัตถุสิ ป, ประการไว้บอกว่าทัศ า, าวัตถุกายามิฉาทิฏฐยาโลกสันนิวะอันประกอบไปด้วยมิฉาทิฏฐิมีวัตถุสิ ป, ประการเนี่ยโลกสันนิาต โรกก็คือนี่แหละขันทั้งหลายนี่แหละที่เป็นไปในในในจักรวาลนั่นสิ้นนี่นะมิฉาทิถีมีวัตถุสิบเป็นฉไนก็มีสิประการก็คือนัตถิทินังทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลนตัตถิยิทังการบวงสรวงไม่มีผลนัตถิหุตังการบูชาไม่มีผลนัตถิสุกตา่าทุกตานางกรร ม, มานางพลังวิปากโกบอกว่าวิบากรรมมีผลของกรรม ทั้งหลายที่เป็นที่ทําดีและทําชั่วเนะี่ยไม่มีมีปฏิเสธวิบากของกรรมดีกรรมชั่วนะี่ยนัตถียังโลโก้ ก, ก็คือโลกนี้ไม่มีนัตถิปรโรโลโก้โลกหน้าไม่มีนัตถิมาตามารดาไม่มีรล้นัตถิปิตาก็บิดาไม่มีนัตถิสัตาโอปาติกาโอปปาติกาสัตว์ไม่มีเนีย่ยแปลไปตามฉบับดีเขาก่อนเนีย่ยต้องไปดูอย่างอื่นเปรียบเทียบเ พ, บเพรายังไงก็จะพูดรายละเอียดแล้วก็พูดไปยิ่งแง่เนี่ยและประการต่อมาก็คือนัตถิโลเก สมณะพรามนาสมักคาตาสมัมมาปฏิปานาเยิยมัญจารโอกลางปรัญจโรโอโลคังสยังอภิญญายะสัจจิกตวาปเวเทติตสมณะพรามณทั้งหลายผู้ประพฤติ ด, ดีมีสมัมมาปฏิบัติกระทําไม่แจ้งแล้วซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยอภิญญารู้ด้วยตนเองย่อมทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามไม่มีในโลกสิประการนี้เลยวุฒินเลยนะท้าสาววัตถุการคือมีวัตถุสิทนี่ดูอัจฉริยงใหญ่แล้วก็เพิ่มเพิ่มเติ ม, เ, ม, เ, มเอาใช่ไหม ทีนี้ในนัดทีทินนางเนี่ยถ้าสาววัตถุนี่นะย่อมรู้ว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลอยู่ไหมจริงๆการให้ทานนี่จริงๆมีผลหรือไม่มีมีผลใช่ไหมเดี๋ยวได้ทํามาจะดูสองฉบับควบคู่กันไปเลยเนาะจะได้จะได้ว่าอดูเปรียบเทียบกันดูเปรียบเทียบกันนัดทีทินนางนี่นะในในปฏิสัมวิธามมากกั่ในพระพิธรรมนัดถีทินนางเนี่ยทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลถามบอกว่าอันนี้ปฏิเสธอะไรทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลเนี่ย อย่างนี้ปฏิเสธผลหรือปฏิเสธเหตุอันนี้ปฏิเสธซึ่งผลของทานอันนี้เป็นเป็นทิฐิประเภทไหนะอันนัตถิทินังเนี่ยพยายามตองความก็จะญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ยนถิทินังเนี่ยอันนี้เป็นปฏิเสธประเภทไหนะทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุดเฉดทิฏฐิใช่ไหมเห็นว่าไม่มีแล้วไม่มีผลแล้วคือจริงๆแล้วทานที่บุคคลให้แล้วในะย่อมมีผลสามารถเพื่อจะให้อะไรอะไรแก่ใครได้แต่ คนที่เป็นมิจฉาทิจจีก็จะถือว่าวิบากอันเป็นผลของทานที่ให้แล้วไม่มีนั้นกลุ่มบรรดามิจฉาทิจจีทั้งหลายประเภทนี้เขาไม่เชื่อก็เขาเห็นว่าขาดศูนย์แล้วเนี่ยใครแลจะเป็นผู้ไปรับผลไม่มีสัตว์บุคคลไปรับผลอะไรเลยเลยเป็นไปไม่ได้เขาเห็นเห็นจ้องจองอยู่เนี่ยกระจับโยนเข้ากองไฟแท้ดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายก็กระจายไปในอากาศแล้วคนจะไปรับผลของกรรมมี้จะที่ไหนฉะนั้นข้าพเจ้าเป็นกลุ่มประเภทนาทีทินั่งใช่ไหม ทานที่บุคคลให้แล้วเนีไม่มีผลเพระยาะใหญ่อย่างเดนเนี้ยแล้วมีจริงไหมทุกวันนี่มีไหประเภทอย่างนี้มีไม่มีแล้วเราเคยคิดแบบนี้ไหมมีบ้างไหมแวบๆประมาณให้โดยที่ไม่ได้หวังผลนะแต่ว่าเกิด ใ, ให้เพราะสงสารกรุณาอะไรเงี้ยคืออยากจะให้เติมไม่ทิ้ว่าเราจะได้รับผลตอบแทนต้องถามว่าเขาเชื่อไหมว่าผลอันนี้มีอยู่จริงก็ไม่สนใจก็คือคนโมห ก, กินเขาาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาโมห ก, กินเขาก็ไม่ใช่ละเขาไม่รู้ไง มือก็ขักดิ์เพราว่าให้ไปเนี่ยแต่ต้องถามเขาจริงๆเนต้องถามความทิฏฐิของเขาเนี่ยทัศนาของเขาทิฏฐิของเขาลทัทธิของเขาหรือความเชื่อของเขาเขาเชื่อไหมว่าการจะทําแบบนี้ม่มีผลการที่เราใหา้เราวังผลไม่ใช่ว่ า, หาให้ให้โดยตรงอาจจะเอาแล้วแต่ว่าจิตที่ไปหวังเน่ยหวังด้วยอะไรเพราะว่ากรณีก็ต้องบอกว่าเรื่องรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องรู้จักสมาทิฏฐิว่าเป็นสมาทิฏฐิความรถถู้ของเธอจึงจะเป็นสมาทิฏฐินั่นต้องมาวิจัยกันก่อนไงว่าตอนเนี้ย พอวใจจ บ, บเสร็จแล้วจริงจะไปสรุปอีกทีว่าเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ถึงจะเป็นคิดอย่งนี้ถึงจะไม่เป็นเข้าใจใช่ไหมถึงต้องมาเรียนนี่แหละก็คือก็คือคิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงคือความจริงอย่างไรเราอย่าไปมีพวกวิปริตมนานัิกรัก็แล้วกันความจริงมันอย่างไรก็ให้ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยชัดตรงนั้นแหละคืออย่างเช่นความจริงเป็นอย่างเนี้ย อย่างเช่นว่าเจตนาที่เป็นทานในกุศลเนี่ยวิบาตของทานเหล่านั้นมี้ไม่ใช่ไมน ม, มีแต่มีแบบไม่แน่นอนเน่นต้องเข้าใจอย่างเนี้ยจะให้ผลเมื่อไรนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยอทีต้องว่นไหวทีว่าว่าการก็ดีว่าบุคคลเกี่ยวกับประโยคะาก็ดีอุปธิก็ดีอย่างเงี้ยนะแกี่ยในเรื่องของการละวิบัติหรือการลสมบัติประโยค่สมบัติด้วยประโยคาวิบัติอุปธิสมบัติด้วยอุปทิวิบัติอย่างนี้เป็นต้นเน่ยใช่ไหมแล้วอะไรขอ้อมีอะไร4ประการนะฮะเอ่อคัติใช่ไหม คติสมบัติหรือคติวิบัติเกิดในนิยคติหรือว่าเกิดในสุขคติอย่างนี้เนะีก็ต้องดูเห็นไหมว่าต้องเอาเอ า, เอาเหตุสี่ประการองค์ประกอบสประการไปจัดเช่นว่าให้ทางมีผลไม่มีอาจจะมีผลเมื่ อ, อไหร่ไม่แน่ทีเนี้ยเข้าใจใช่ไหมไม่แน่เนีย้ยทีนี้เขาเริ่มเข้าใจถามว่าเอสัตว์หรมนุษย์ทําบุญแต่ว่าใช่มนุษย์ไหมเป็นผู้รับผลไม่แน่มนุษย์ทําอาจจะเป็นเทวดารับบุญใช่ไหม แต่ว่าคือขันทาจะยตนะเป็นผู้รับยิ่งนี้ชัดเลยยิ่งนี้ชัดเลยก็ต้องไปไปว่าอีกทียากไหมก็มันก็ถูกเบื้องต้นใช่ไหมก็ตั้งไว้ถูกเพียงเบื้องต้นว่าเออทานเนี่ยให้ผลเป็นความสุขก็คือบุญนั่นเองบุญก็บุญให้บุญเป็นความสุขแต่ถ้าถามว่าถ้าเจาะลงไปนี่สุขคืออะไรใช่ไหมต้องเจาะไปจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามมึงมุ่นเมื่อสักครู่เนี่ยถามว่าคนที่ไปทําบุญคือใครคือใครใช่ไหมอ่ะสมมุติว่า ยมไปทำบุญสมมตินะไปทำบุญแต่อกกับกิริยาตอนนั้นน่ที่เป็นบุญจริงๆก็คืออะไรใช่ไมอัตโนสันตานางปุนาติโสเทติติพุญญ์ใช่ไหธรรมชาติใดใช่ที่ทำให้กระแสของขันธาตุอายตนะหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองคือราคะโทรศัพท์โมาเป็นต้นธรรมชาตินั้นเนชื่อบุญธรรมชาตินั้นเชื่อบุญเอาเลยสิ อ๋อเป็นชื่อของกระแสของขันท่อนาอายตนะที่เกิดขึ้นจากความหมดจดที่ปารลทานปารลศีลปารลภาวนาเป็นต้นแค่ไหมครัทีนี้กระแสของจิตกระแสของอุสุนจิตตุบาทที่มันเกิดขึ้นเน่ยนตรงนั้นเน่ยเขาเรียกว่าบุญแต่ต้องตอนนั้นต้องไม่มีราคะโทสะโมหนะนี้ยเข้าไปรบกวนกระแสขันท่าอายตนะตอนนั้นถ้ามีราคะโทสะโมหะไปรบกวนไม่เรียกว่าบุญทั้งๆที่รูปแบบเป็นบุญเอาละสิ ใช่ไหมรูปแบบเป็นบุญแล้วตักบาตรมีพระมาแต่ตอนนั้นจิตใจกำลังกังวลอยู่เนี้ยไม่เรียกว่าบุญเพราะตอนนั้นกระแสกุศลจิตูบาตไม่เกิดเพราะคําว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของนา ม, มาธรรมคือเป็นชื่อของกุศลน่ยมหากุศลเกิดไหมแล้วมหากุศลเกิดขึ้นปารบอะไรอยู่ถ้าปารบทานเรียกว่าทานในกุศลปลาลบศีลเรียกศีลกุศลปลาลบการฟังธรรมเป็นต้นหรือแสดงธรรมเป็นต้นเป็นภาวนากุศล กำลังอ่อนน้อมเป็นอปจายนะกำลังประพฤติประโยชน์เป็นวิ ย, ยาวัจจะใช่ไหมกำลังให้ส่วนบุญเป็นปฏิฐานนะกำลังอนุโมทนาส่วนบุญเป็นอนุโมทนานี่กำลังฟังธรรมเป็นธรรมะธรรนะกำลังแสดงธรรมเป็นธรรมเทศนาะกำลังทําความเห็นให้ตรงก็เรียกทิฏถูชุ ก, กรรมเอาสิเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆมันเกี่ยวกันในเรื่องของนามธรรมาทเท่านั้นแต่ก็ต้องอาศัยรูปธรรมอยู่ แต่หมายความว่าถ้าตัวบุญแท้เลยหมายถึงนามธรรมาคือกลุ่มกุศลนะ่ะกุศลจิตตัวบาต ท, ทั้งจิตและเจตสิกกลุ่มของนามธรรมา ท, ที่อาศัยรูปธรรมกําลังเป็นไปอยู่แท้ที่จริงขันต่างหาเป็นผู้ไปทำบุญอายตนะต่างหาเป็นผู้ไปทำบุญธาตต่างหาเป็นผู้ไปทำบุญแต่สมมุติว่าสัตว์บุคคลจึงมีเพราะมีขันธ์ธาตุอายตนะประชุมหรือเกิดดับณที่ไหนคำบัญญัติสัตว์บุคคลก็มีหน้าที่ตรงนั้นเออสัตว์เป็นผู้ทําบุญแล้วอ๋อเราไปทําบุญที่นี้ ทำบุญในขนาด ก, กระแสะบุญเกิดขึ้นตอนนั้นปารบอะไรใช่ไหมปารบอะไรปารบอนุปาทานบลินิพพานหรือไม่อถ้าปารบอนุปาทานบาินาิพพานถึงจะเป็นทานบรารมีอะไรออรเสียแตนี้ใช่ไหมถ้างั้นจะเป็นบรารมีไหมทำไม่ปารบบรมธรรมเนะีถึงบอกว่าไงบอกว่าต้องปารบบรมธรรมก็คือทานก็คือการให้นั่นแหละการแบ่งปันก็ว่ากันไปมีทั้งหลายอย่างใช่ไหมแต่ไม่เป็นบรมธรรมเพราะไม่ ไม่เป็นไปเพื่อขัดเกา่าไม่เป็นไปเพื่อสร้างอัธยาศัยทั้ง6ไม่เป็นไปเพื่อลองรับบุรมธรรมหรือเข้าถึงบุรมธรรมบรมธรรมคืออะไรพันิพานใช่ไหมเพราะบารมีทั้งหลายนั้นจะต้องสร้างอัธยาศัยทั้ง6มี่อรภปัตย์ยาศัยเป็นต้นจนถึงปะวิเวกัตยาศัยเป็นที่สุดเขาไม่เรียกบารมีถ้าไม่ไม่เป็นไปเพื่อจะขัดสร้างอัธยาศัยเพราะเราต้องการจะเป็นโพธิไหมอย่างใดอย่างหนึ่งปลูกโพธิลงในสู่ในกระแสขันธะละเอียดนะ จะเป็นปัจเจกับโพธิสัมมาสัมโพธิหรือสาวกสาโพธิต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เข้าใจไหมละถ้าถ้าเข้าใจไม่เป็นไรสาคัญจะไม่เข้าใจสิใช่ไหมเพราะมันสั้นเหลือเกินนี่ไม่ค่อยไว้ใจน่ะคนยุคนี้ไอมาไม่ค่อยไว้ใจใครหรอกไงขอที่ฐานก่อนได้ที่ฐานก่อนต้องอ่าอ่าใช่ก่อนหน้านั้นห้าวันคิดได้เลย ห้าวันสิบวันร้อยวันคิดไปเหอะไม่มีใครห้ามเลยคิดไปเลยเสร็จแล้วก็มาคิดอีกขอให้ปริมาณการตรึนเป็นใบกระบุญเยอะๆบางคนเขาคิดไว้ก่อนล่วงหน้าไว้เบสเสร็จจนมีกำลังโดยภาษานักกีฬาเขาเรียกว่าซ้อมไว้ใช่ั้ยพอไปขึ้นเวทีก็จริงจริงจไปไม่เป็นเลยตวเนี้ ไอ้นั่นก็ไม่ได้มานี่ก็ไม่ได้มาเลยเออาบริวายลพันพโลกโกดพ้าก็หยิกพ้าก็เดินช้าไปเลยแบงนี้อย่างเนี้ยเหรอเจ้าไมงี้นี่จริงๆเคือบอกว่าใครที่บอกว่าภรรยาก็ให้ให้ลงไปทำบุญท่านน้ำาอกพระมาใสเรือเนี่ยเน้นไม่พระเนยพาออวันนั้นเน้นมาแต่เช้า ภรรยาก <defined> ็ทำกับข้าวไม่ใกลทันเนี่ยกาบอกตาไปใส่บาทรปกติก็ยายลงไปเองใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงเขาบอกไปที่บอกไปเพืยายเร โ, โหโมโหงมดเหยีดหมดเหยียดพูดลงไปคือไม่รู้จะเสียงภรรยาไง <c oughs> เห็นเนรไมย่อ <c> ย <oughs> านเนก็มา <c oughs> แต่เช้าว่า <c oughs> ไปเลยไปลงเน้นู่นเนะ <c oughs> จะหันมากลับ จะมาตำหนิ่ภรรยาก็กลัวภรรยาว้านู่นอะไรเล่ น, เ ล, นเล่นเน้นเลยไม่เน้นก็มาแต่เช้าลึกเกินก็ทให้เรต้องตื่นแต่เชา้า โ, โดนเรียกตื่แต่เชา้าในรักทางนี้ไม่ไม่ได้เรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วคืนนี้ต้องการแคทกรณีแบบนี้ถามว่าตรงเนี้ยจริงๆพอพูดถึงในเรื่องตรงเนี้ต้องไปปรับความเข้าใจกันอีกเยอะใช่ไหมบางทีแล้ววันี้พานนัปจโยตุเนี่ยมันไม่พออธิบายก่อนคำพูดดีถูกแต่เข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกไหม เพราะว่านิพานกันตลอดพอไปนั่งถกกันจริงๆแล้วไม่อยากนิพานกันเงี้ยกลัวกันเลยกลัวจะนิพานอ้าพอไปนั่งคุยกันจริงๆดีพอไปพูดกันจริงๆแล้วกลัวนิพานกันพอไปพูดไปพูดมาแล้วไปเสร็จถามว่าแล้วนิพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ตนเองมุ่งหวังจริงๆไหมใช่ไหมระหว่างจะไปนิพานกับการที่จะต้อง วันนี้ขอพายนะเออเออลูกลูกที่ต้องรับปริญญาแล้วจะทํำยังไงเนี่จะไปนิพพานหรือจะไปอะไรไปงานลูกรับปริยญาเอางานที่ก็บอกมาขอให้เบรกนิพพานไว้ก่อนคือเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวลูกว่าเนี่ยแล้ว็ขาจะเก่งใหญ่ตั้หากันเนี่ยแต่เรื่องตั้หานี่เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วกลัวมากใช่ไหมคือกลัวตั้หาจะน้อยใหญ่แต่นิพพานเนี่ยน้อยใจแล้วแล้วเล่ามาม คือไม่เกรงใจศรัทธาเราแต่เราเกรงใจตัณหาเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเออจริงๆโดยโดยข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้เลทีนี้ก็มันก็เลยเป็นแบบนี้ให้สังเกต ด, ดูว่าชาวพุทธดูผู้ศึกษาพระธรรมก็ไม่นานเน่ยไม่ไม่มั่นคงเอาตั้งแต่ภิกษุ ล, ลงมาเลยก็ไม่มั่นคงไม่ไม่มั่นคงถ้ามาดูจากตนเองเนี่ยวลาไปอยู่ในห้องสมัยก่อนไปอยู่ในห้องกรรมหาน มันก็รู้สึกว่าโอ้โหในขณนะที่สติแลปะปัญญามันเดินก็สะดวกดีนะแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยอย่าพูดถึงเรื่องหยุดการปฏิบัตินชื่นใจจริงๆงโอ้มันชื่นใจมากๆเลยเมื่อไหร่จะถึงเวลาหยุดสักทีเนาะเคยเป็นไหมละ่ะเหมือนเรียนธรรมะฟังธรรมะเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วถ้าหยุดพักรู้สึกมัน่งมากเล ย, ลยเป็นไงเป็นงมั้ย ถ้มีการฟังมาทาอยู่บอกโอ้โหมันรู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้ก็เรามาใช้คําว่าอะไรได้ไหมแต่ก่อนเอามาใช้บอกว่ า, ว า, า, ว า, าถ้าแถวเขาเรียกว่าที่ว่าผีเข้าแล้วดนน้ํามนต์เล่าเนี่ยเวลามาฟังทำเนี่ยบางทีกังวนกังวายขนาด น, นี้คาสอนของพระเจ้าแต่ละคาเนี่ยพูบไปเหมือนอน้ํามนต์ราดที่ตอนนั้นผีเข้าเราอยู่คือตอนนั้นพอกิเลสตัณหามันมันมันดิ้นรนใช่ไหมถูกต่อว่ามันทนไม่ค่อยได้หรอก ทนมันก็มันดิ้นพล่านอยู่ในใ จ, จเราตลอดเวลาเช่นโลภะนี่โทสะนี่โมหะมานะทิฏฐิวิจิกิชากา้าหิริกะนอตตปะอุทะจายใช่ไลองไป อ, ธ, อธิบาย อ, อาธิาเขาแต่ละคำแต่ละคำนี่มันโดนหมดไอตัวตัาหาเขโอ้โหเล่นกุยกูเล่นกุยกแ ล, เ, ล, กกแลเข้าใจใช่มอ้าวกูเล่ว่ากูกแล้วใช่ไมอ้าวเดี๋ไปยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสลงไปว่าใช่ม ตัวตันหาตัวทิศถีทั้งหลายเป็นธรรมะขยายว่าตายไงเนี่ยธรรมของพระเจ้าจะเล่นเราสงอมเลยเพว่างั้นเนี่ยมันก็ดิ่นดิ่นตายแล้วมันเคยชํานาญกับเราอยู่มันก็มาบอกว่าไปฟังทําไมเนี่ไปฟังให้คําสอนอะไรเนี่ยไม่ได้บอกให้เรามีความสุขอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมมันน่าจะให้ยินดีพอใจในรูยินดีพอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันต้องไปขยายความสุขตรงนี้สิ มันต้องไปเพิ่มรูปเสียงกินรสสัมผัสให้ประนีดขึ้นไปความสุขต่างๆที่เรายังไม่ได้รับอีกเยอะจะมานั่งฟังอะไรเนี่ยมันก็เกียร์คอมใช่ไหมไปๆมาๆทีนี้มันมาแบบตรงๆไม่ได้มันก็มาอีกรูปแบบนึ่งถามว่าแมมรู้สึกหน้าต่างชารุดทีแรกเดีต้องซ่อมเ <laughs> นี่ยมันมารูปแบบแล้วเข้าใจหมเนี่ยเนี่ยตัหามันมาแบบใหม่แล้ว บ โ, โหวันนี้เพราเอินติดทุลร้าต้องซ่อมหน้าต่างวัดีหน้าต่างมันรั่วหน้าก้าวนก้าี้ลดเสียที่กูแใช่ไหมเอาแล้วมมาในรูปแบบสารพัดแหละแขนหักขาหักเอามาหมดเลยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเห็น ไ, ไหมตั้งหามันต่อรองด้วยเลยเอาที่บอกกันแล้วแต่ให้คิดเองแต่ตอนเนี้ยก็เราเจ็บอย่างเงี้ยก็เราเป็นเพื่อนคุณมาตั้งแต่สารวัตแล้วเนี่ยคุณไม่ดู ด, ดําูิให้เราใจเราใจเราแป้วเลยใช่ไหม ก็เราเป็นเพื่อนคุณมาเนี่ยตัณหาทุติโยปุริโสไม่มีใครเป็นเพื่อนคุณร อ, อกเราเนี่ยเป็นเพื่อนคุณแต่ตอนนี้เราป่วยอยู่ทาไมคุณไม่ดูแลละ่ะเอาเลยสิตอนนี้ยไปเฝ้าทําไมศรัทธาใช่ไหมเออไปเฝ้าทำไมศรัทธาเนี่ยมาดูแลตัณหานี่สิเดตัณหาจะพูดให้ฟังพองมาตัณห า, าปวดเหลืเอเกินตรงเนี้ยเขาย้าใจั้มเนี่ยตัณหาเป็นแบบนี้แล้วมันจะวิจิตไปเรื่อยถ้ามันมาท่านี้ไม่ได้แล้วมันจะมาอีกท่านี้ มันมากับคนนี้ไม่ได้เอามันมาอีกคนหนึ่งมันจะหลอกอยู่นั่นแหละมันหลอกสารพัดไปเงินนี่เธอเน่ยแล้วก็ไปตัวเองเนี่หนักเข้าหนักเข้าก็เล่นตัวเองเลยเอาสิจะไปนั่นเนี่ยเรียกหมอหนัดอีกเหรอไปลงไปยกเข้าใจหยังนักเข้านักเข้ า, ขามันก็เราก็ไปไม่ได้ออกจากสารแพัดไม่ได้ แล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้เนี่เรื่องเก่าที่มาทํากันใหม่เนี่ยทำแล้วแล้วเราจำเจซ้ํากกินแล้วกินอีกทําแล้วทําอีกตัดสินแล้วตัดสินอีกพูดแล้วพูดอีกเนี่ยเรื่องเก่าๆทั้งนั้นเนี่ที่วิ่งกันไปวิ่งกันมาเนี่ยเนี่ยให้ทานเมื่อกี้เรื่องเก่ายังไงเคยทํามาแล้วที่แรกจะต่อยอดจะถึงมาร์คผลอยู่แล้วเออไปหยุดแค่นี้แล้วไม่ได้หน้าเกียจแท้จะมา โอเรื่องมันจะได้อยู่แล้วบางทีเราไปหักลานตัวเองเฉยเลยไมายเกือบจะบรรลุอยู่แล้วถ้างั้นไม่ได้มันทรมานตรกรรมไปดนี่ก็เลยบรรลุไม่ได้เดี๋ยวเข้าตรงนี้ก่อนเนาะก็คือนัดทีทินนางย่อมรู้ว่าชื่อาทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลนะไม่ใช่ไม่มีสามารถที่จะให้เป็นอะไรอะไรแก่ใครได้ในสังสารวัตเป็นต้นเหล่านี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วทานนกุศลเป็นต้นเหล่านี้ทานบารมีเนี่ยให้สัมมาสัมโพวิยานย่างได้ มีผลขนาดนั้นอย่างอื่นแทบไม่ต้องพูดถึงจกักรพรรดิราชไม่ต้องพูดนะสูงกว่าจากักรพรรดิเนี่ยมีโสดาปัิมรรคเป็นต้นทานนี่แหละให้ได้จริงเพราะทานนั้นเป็นตัวสร้างอะโลพะคือความไม่โลภเป็นต้นเห็นไหมการสละการตัดฉันทราคะในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มาจากทานนี่แหละเป็นปัจจัยแต่บรรดามิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายก็ถือว่าวิบากที่เป็นผลของทานเนี่ยไม่มีเนะี่ยพวกเนี้ยปฏิเสธเลยการเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเนี้ยพูด ธรรมดาเหมือนไม่ปฏิเสธเบื้องสูงลึกๆจริงๆนะละเอียดจริงๆนะ่ยปฏิเสธสัมมาสัมปวิยาณอ่ะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธได้ยังไงถามว่าสัมมาสัมปวิยาณเนี่ยต้องทานบา ร, รมีเป็นปัจจัยไหมเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเห็นไหมจะบอกว่าไม่มีผลไม่ได้มีผลแล้วผลยิ่งใหญ่มหาศาลด้วยเนี่ยแต่ว่าทานทานที่จะเป็นปัจจัยแก่ระดับนั้นต้องทานที่ไม่มีตัณหามนติติเจอิญเราก็ทั้งหลายก็ทํากันให้ได้ เราจะทำให้ทานยังไงที่ไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิเขาเจอบนในการให้นะั้นนัตถิยิดถังยิดถังเนี่ยคาว่ายึดถังในที่เนี้มาจากคาว่าการบวงสรวงไม่ใช่หูตังนะถ้าหูตังเนี่ยเออในในยิดถังนัตถิยิดถังนี่เป็นยันที่บูชาแล้วไม่มีผลเนี่ยจัดเป็นยันเล็กน้อยเขาเรียกขุทธกะยันโยขุทกะยันโยยิดถังเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่มหายาโคในที่นี้นะนัตติยิถังนัตติทินังนัตติยิถังส่วนนัตติหูตังในการวงสรวงจัดว่าเป็นมหายันก็เรียกมหายันโยเนี่ยอันนี้ปฏิเสธซึ่งผลแม้ยันทั้งสองอย่างนั้นด้วยหูตังนี่เป็นปฏิเสธทั้งสองตรงนี้ก็ต้องมาขยายแล้วขยายหูตังเนี่ยนะกะไป ย, ยิฐถังเนี่ยเดี๋ยวขยายตรงนี้หน่อยในคําว่ายิฐถังกับคําว่าหูตังเนี่ยเดี๋ยวดู อธิบายคําว่ามหายาโคการบวงสวงอย่างใหญ่การบวงสวงอย่างใหญ่นี้ไปอยู่ในคัมภี์สังยุทธนิกายสกาทวรคในโกสลาสั่งยุทธปฐมวักยันยสูตรที่9ในมหายันทั้งหประการนี้เนี่ยในข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันารามของท่านานาณาถาปินทิกัตที่กาเศรษฐีกรุงสาวสถีไปมาแล้วนีใครไปไมาอย่างนดีน้ก็โดยในสมัยนั้นนั่นแหละพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลได้ตราเตรียมการบูชา ย, ยันใหญ่ ก็โคผู้ห้าแล้วก็ลูกโคผู่อีก500แล้วก็ลูกโคตเมียอีกห้าแพะอีก500แล้วก็แกะอีกห้าร้อไปปลูกไว้ที่หลักเพื่อจะบูชายัญในคำพีทีขั้นนีกกนน้กายก็กล่าวไว้ในทีคั้กายก็กล่าวไว้เกี่ยวกันนเรื่องการบูชายัญเหมือนกันอันนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของพรามพรามกลุ่มของรู้สึกที่จะเป็นพวกกลุ่มกูตะคันธันดาพราหม์ทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ท่านนี้นะจำจะไม่ก็ได้แล้วบรรยายมาก็จะลืมลืมแล้วแต่นี่แหละ กลุ่มพวกไปบรรดาพราหมณ์ที่เป็นเจ้าเมืองทั้งหลายนี่แหละเขาจะถือการบูชายันพุทธเจ้าก็ตําหนิการบูชายันนั้นเหมือนกันเพอตําหนิการบูชายันอย่างนั้นก็บอกว่าตอนนั้นพระเจ้าพระเศษที่โกศลก็เอาทาตหรือคนใช้คนกรรมกรที่จะถูกลงอัจฉรยะทั้งหลายก็เอาไปเพื่อจะทําการบูชายันในครั้งนั้นแหละภิกษุทั้งหลายหลายรูปนะ ก็คลองผ้าเรียบร้อยแล้วในเวลาเช้าก็ถือบาทและจีวรเข้าไปสู่กรุงสาวิตรีเพื่อบินธบาตนี่เป็นกิจวัตรประจําวันของพระเนะาะกลับจากบินธบาตในเวลาฉันพัดแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพิสูจน์นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้พระเจ้าประเรสริฐทโกศลได้ตระเตรียมการบูชามาหายันคือโคผู้500ตัว ลูกโคพูดอีกห้าร้อตัวลูกโคตัวมีอีก500ร้อยตัวแล้วก็แพะ500้อยก็แกะห้าร้อตัวนี้เนี่ยไปผูกไว้หลัก บ, บูชายันแม้ชนบางพวกของพระเจ้าเประเซนที่โกรธนซึ่งเป็นทาสเป็นคนใช้เป็นกรรมกรที่มีอยู่เช่นแม้เหล่านั้นถูกลงอัจฉรและถูกภัยคุกคามก็มีหน้าน้องโดยน้าําตาร้องไห้พลางกระทาบริกรรมไปพลางบนเพื่อในครั้งนั้นนั่นแหละพระบรมศ า, าสดาก็ตรัสเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัส บ, บอกว่าอัศมีดัง บุริสเมธังแต่ในนั้นอัศเมดังบุริสเมทางสัมมาเตซังวาเจไปยังว่าไงเนี่ย น, นิรักขลังคือมหายัญญามหาราำภานณเตหนติมหาพลานณเตหนติมหาพล า, าแแปลว่าไม่มีผลมากเนะ<ม>อาเชรากาจะค า, าวจ่าวิวิทยัตถะหันยเรนณตังสัมมักคตายัญยงอุปยันติมหายสีโนบอกว่า มหายันที่ตัเตรียมมีการตรัดเตรียมมากมีการวางแผนมากมีความเพียรพยายามผิดมากเป็นไปกับมิจฉาทิฏฐิอันที่มากมีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ชนิดต่างๆเป็นอันมากเขาเรียกว่าอัศเมดาอัศเมธาคือ ก, การฆ่ามาบูชายันปริสมธาการฆ่าบุรุษบูชายันสัมมาปาสาก็คือการจองจําบูชายันบางทีมีการจองจำด้ยเนีเนี่ยบูชายันเอาไปขังเขาไว้ก็จะบูชายัน แล้วก็ออกว่าเฉเปลยะก็คือการดื่มน้ํามนบูชายันนิรักขราก็คือการถอดริ่มกรบูชายันทําไงการถอดลิ่มกรก็หมายถึงการบูชายันที่เปิดให้บุคคลได้ดูได้เอาละสิฆ่าให้ดูเลยทําให้ดูเลยบูชายันเชือดแล้วบูชายัยางไงใช่ไหมเออเขาจะมีอย่างนี้นะมหายันโยนี่เออมหายันในนะการบูชายันใหญ่เนี่ยเขาจะปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทำครั้งหนึ่งร้องและงมหมดแหละ ก็ทำอย่างนี้แล้วจะทําให้บ้านเมืองสงบสุขปกติแล้วในถ้าบูชายันตอย่างนี้ก็คือให้พวกนี้รอบทุกแทนไปพวกมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นผู้ทำนั้นจะไอยู่รอดปลอดภัยมีพระเจ้าเป็นดินเป็นต้นผู้ปกครองเมืองทั้งหลายก็จะต้องทําการบูชายันอย่างเนี้ยแล้วก็ทำไปม้ยอันก็เหมือนไม่ต้องอะไรหรอกเราดูแค่เออสารหลักเมืองสารหลักเมืองเนี่ยก็จะใช้คนเป็นเป็นโยนลงไปแล้วก็ใช้เสาเสาหลักเมืองกระแทกลงไปให้เฝ้าดึงเฝ้าเมืองเนี่ย ว่เข้าไปเอาใครที่มีชื่อชื่อที่เป็นมงคลหน่อยเช่นชื่อมั่นชื่อคงชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยก็ให้ใจชุดขาวอะไรต่างๆก็จับโยลงไปแล้วก็ใช้เสาเะไรเที่เนี่ยทาวิธีก็ขับแทบบอกให้เป้าเมืองบอกว่าเออได้เฝ้าเมืองนี้ไว้จะได้เมืองนี้อยู่มั่นคงเป็นป้อมปราการใหญ่เป็นที่สการะบูชาเอาอย่าง้ใครยอมสลาเนียังมีคนบูชาตลอดไปจนถึงทุกวันก็ต้องมีคนบูชา เอาไหมล่ะอยากอยากเฝ้าเมืองเลยจะได้ดูแลสุขทุกข์ให้กับประชาชนเนี่ยไม่เอาหรือไม่ใช่เขาทํากันอย่างนี้ทํากันอย่างนี้ไม่ในล่าบ้านเรา <c oughs> นี่ยเเลารู้ว่านี่บูชายานันนี่แหละสังสารวัฏนั้นเราเคยเป็นแล้วเราก็จะเป็นก็ไม่พ้นบางปีเราก็จะต้องบางชาติบางภพเราก็จะกลายเป็นผู้เฝ้าแผ่นดินเราต้องการให้เราเฝ้าก็ต้องเสียสละนั้นเป็นคนต้องเสียสละถูกสอนอย่ไหม น, น, นี่นี่บูชายานัน พระพุทธเจ้าทางว่าสถานการณ์แบบนี้ระหว่างพระเจ้าเป็นดินทมเลยใช่ไหมถ้าพระเจ้าเป็นดินทมแล้วระดับพระพุทธเจ้านี่พูดได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระที่ไม่ใช่ระดับพระพุทธเจ้าเราไม่พูดอย่างนี้ยุ่งใช่ไหมท้าวพระพุทธเจ้านี่เพราพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาของเทวดาแลาเมนุษย์เขาใหญ่ยังของดูพระพุทธเจ้าตรัสทีทั้งนั้นแล้วพระบรมศาสดาก็ตรัสเลยตัดคาถาที่บว่ามัสเมีดังบุตรสเมีดงสัมมาเปีสังวะเวชไปยังเป็นต้น พุทโพจน์ตัดพวกโวบเลยใช่ไหมสัพพยุตยานนะตัดดสัพพยุตยานเนะบอกว่านี่พุทธญารู้หมดไม่แทงตลอดหมดไม่ยันเหล่านี้รู้หมดแหละก็หมายความบอกว่ากรณีที่คําว่าอนิราคละเนี่ยการถอดลิ่มกรบูชายันหมายถึงการบูชายันที่เปิดให้คนมาดูดังที่ได้ดกล่าวมหายันเหล่านั้นย่อมไม่มีผลมากเห็นไหมนะเตหนตีมหาพลาบอกไม่มีผลมากถ้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ สแสวงหาอะไรหาสแสวงหาศีลคุณนันใหญ่สมาธิขันนันใหญ่ใช่ไหมสแสวงหาปัญญาคุมุติคุมุติญาณนัทธสนะขันอันใหญ่แสวงหาสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทิบาทอินีบารโพชฌงค์อริยมัพมียงแปดนันใหญ่สแสว ง, ง, งหาคุณนันใหญ่เหล่านี้ยผู้ดำเนินปฏิปทานชอบย่อมไม่เข้าไปใกล้ยันเหล่านี้เลยเอาเลยสิใช่ไหมอกยันเหล่านี้พระเจ้าไม่เดินเข้าไปใกล้เลยเพราะเป็นการมีการตระเตรียมมากถามเนี่มากไหม ระดับการตลาดเตรียมจะต้องหาหาโคผู้ห้าร้อยลูกโคผู้ห้าร้อยโคลูกโคโดมียห้าร้อยแพห้าร้ยแกห้า้อยบางแห่งก็เจ็อันนี้อันนี้ห้าร้อยกลุ่มเจ็ดร้อยก็ังมีถ้ากลุ่มใหญ่กว่านี้คือเจ็ดร้อยอย่างะเจ็ร้อยเจ็ด้อยเจ็ดร้อยากรรมกรหญิงก็เจ็ดร้อยกรรมกรหญิงชายก็เจ็ดร้อยบางทีเรางอมไมแล้วก็มัดไว้กันหลักแล้วเขามีญาติไหมมีไหมแต่ถ้าคนมีญาติไหมจะร้องไห้ไหเรางม เขาบูชายันกันนี้เชื่อไหมในกลุ่มที่กําลังร้องะมีเราอยู่ในนั้นด้วยในสงสารวัตรที่ผ่านมาและก็ยังไม่พ้นก็อีกเดี๋ยวก็จะถูกจับบูชายั น, นยโห้หน้าอนาถนักสงสารวัตนี้นี่นเป็นอย่างเงี้เราเนี่ยมันร้องไห้กันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็มานั่งหายใจโล่งๆกันห น, น, น่อยเนี่ยแต่ยังไม่แน่เนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็นไม่รู้ใช่ไหมในข้างหน้าเนี่ยคุยกันยู่งแยบแฝงซ่ า, าคลายทีเอ้าวไปนอนโรงพยาบาลมะเร็งกินได้อีกไป <S <S โอ้ท่านบากแท้แท้นี่มึก็คุยคุยกันแบบ่แหมหลายๆคนอ้าวรู้ข่าวดีนี่เราก็ที่บรรยายบรรยายเลยแต่ก็แต่ก็มันก็จะนี่ก็ไม่มีโอกาสเจริญกุศลกันแล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีโอกาสแล้วมันยากจริงๆการเจริญกุศลยากมากแต่ก่อนก็ไม่สู้จะคิดเท่าไหร่ถึงเวลาก็ได้กล่าวว่าทำเรียนธรรมะเจริญกุศลกันก็ไล่ดูอย่างนี้คนวันแต่ที่ไหนได้โหมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยตอนนั้นบังคับกั ถ้ามาเรียนกันด้วยศรัทธาจริงๆเนี่ยแทบไม่เคยมีแล้วเดินเห็นไหมระหว่างระหว่างวิ่งเรียนด้วยตัณหาก็วิ่งเรียนด้วยปัญญาเหนมากกว่ากันให้สังเกตตนะัวเนะยบอกโอ้โหบางคนอันนั้นก็อยากรู้อันนี้ก็อยากรู้อันนี้ก็อยากรู้วิ่งกลัดหมดเลยเดินเนี่ยเช็คตาราดก็ไม่พอเคยเป็นไหมล่ะเคยไหมล่ะก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าเราไม่รู้สมาธิมิจฉาทิฏฐิไงมันไม่รู้เลยอะเขาวิ่งกันใช่ไหมมันอยากจะรู้อะทําไงได้อยากจะรู้ไปหมด นาเข้านาเข้ามันนั่งหอบไปรู้อะไรบ้างเงี้ย <c> เ <oughs> <c oughs> คยเป็นไหมเคยเป็นยัง <c oughs> ไมันรู้เน้นได้อะไรบ้างอางงี้ยบางเ้ไปไปมาๆก็ไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เลยก็ก็อยู่อย่างเงี้ยบางทีก็โฆษณากันเนี่ยเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าจะโฆษณ า, าพระุทธเจ้าจะใช้หลักว่าสัตตานางวิสติยาสโสกับปริเนวานางสมติกมายะนะ ยาญาาสตร์ที่ทำไมญาณิพนัตสัจจิปยาญาณก็พระพุทธเจากะกล่าวนิสงการเจริญสดิปัฏฐานการการการเจริญสติปัฏฐานแล้วแต่กระแสอยุไปอะไรก็กปล่อยลืมลืมๆๆมลืมไม่ค่อยไม่ค่อยก็ไม่ไม่ค่อยได้ตดีได้ดีอะไรกันเลยตั้งหลักมันถูกตั้งการบูชายันที่เปิดให้คนดูแล้วครับเวหาญาณเหล่านั้นย่อมไม่มีผลมากเพราะพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณนั้นใหญ่ผู้ดำเนินปฏิปทานชอบย่อมไม่เข้าไปใกล้ญาณเหล่านั้น ส่วนยันเราไดมีการตราเตรียมน้อยไม่มีการฆ่าฆ่าแพ้ไม่มีการฆ่าแก่ฆ่าโคฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆไม่มีการฆ่าคนซึ่งบุคคลบูชาสืบตระกูลหยุดทุกเมื่อมีนิตยพัฒนเป็นต้นนิตยพัฒน์เนี่ยพัติกามีการให้ให้เป็นประจำเพราะแบบนิตยพัฒนเช่นการให้ให้ทานประจําทุกวันนั่นแหละสมมาทานทุกวัน ใช่ไหมที่พระพาทธแสดงไว้เห็นข้อเ ด, ดีวยวที่ว่ามีผลมากมากกว่ายันที่เขาตรัสเตรียมอย่างนี้ไม่ต้องเลยเนี่ยมีอาหารทุกวันเนี่ยแล้วก็ตั้งเจตนาทําด้วยจิตเป็นกุศลจริงๆนะทำอย่างนี้ไม่ต้องเตรียมมากเลยถามก็ถามใช่ไหอีกสูตรหนึ่งนะแต่ในสูตรนี้ลงแค่ตรงนี้แหละแต่ในสูตรหนึ่ง น, ะนี่จะเชื่อมไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์พู้จเจริญยัน บอกนี่ไงยันในทางภาษาศาสนามีผลมากกว่ายันที่เธอทําที่ต้องเตรียมแพะแกะอย่างละ7 0็ด0้เป็นต้นเหล่านี้หรือกับชาตกรรมกรชายหญิงเจ็เป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ต้องเป็นไปด้วยการฆ่าตรงนั้นก็มีผลไม่ใหญ่แบบนี้แต่มันเป็นบาปอะไรก็ได้แต่วิญญาณไปเก่าอย่างนั้นแต่ยันของเราสิมีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่าแล้วบอกอานิสงส์ด้วยนะั้นิติยภาพเป็นต้นหเหล่านี้ยพระ ท, ที่ถวายกับภิกษุสงฆ์ที่เป็นผู้มีทิฏฐิมีศีลและทิฏฐิบริบูรณ์แล้วมีพระโสดาบานันเป็นต้นหเหล่านี้ พัดเนี้ที่เขาเรียกว่าการให้และบูชาคุณภรรยาทั้งหลายอะไรเนี้ยน้อมในน้อมที่จะจะให้กับภรรยาบุคคลทั้งหลายมีผลมากมีอานิสง์มากทีนี้ท่านจะถามก็ถามบอกว่าอีแล้งมีแบบที่ไม่ต้องทําประจําได้ไหมใช่ไหมก็ทําประจําเนี่ยรู้สึกมันจะไม่ไหวอะเอาแบบมาลงทุนน้อยกว่านี้มีไหมพวดเจ้าบอกมีแล้วอะไรวิหาราทานใช่ไหมการให้วิหาราเป็นทานเนี่ยให้สงจากเจตุรทิศไง ถาวายเป็นสังฆทานไปเลยอย่างเนี้ยมีผลมากอา น, นิสงฆ์มากยิ่งเป็นที่ทรงผู้ทรงธรรมผู้ทรงวินยัยเป็นพระหูสูงรเป็นต้นเะไเนี้ยนะผู้ทรงปฏิโมกทั้งหลายเรานี้ยมาอยู่หนสถานที่ต่างๆเหล่านะั้นไปต้องบอกอา น, นิสงฆ์มีรารณิสงฆ์อย่างไรพระพาหมก็มาคิดเอ๊ะอย่างนี้ก็ยังต้องลงทุนมากอยู่ใช่ไหมต้องใช้ใจ่ายมาซับมากอะไรต่างๆบางที่น้อยกว่านี้มีไหมยันของท่านเนะี้ยลายไปเลยพระเจ้าก็บอกมีเอาอะไรแหละสารณาคมเห็นไหม ไม่ต้องลงทุนเรียลแรงเลยเลยพุทธังตะระังก็ชามีตะมังตะระังกชามีสังคังตะระังกชามีเนี่ยมีผลมากกว่าทานอั่นที่ได้กล่าวไว้แล้วก็ถามอีกบอกว่าแล้วที่มีผลมากกว่านี้มีไหมมีสีนน้ยสินห้าสินแปดสิสิไล่ไปเรื่อยๆเล ย, เลยนี่เป็นยันนั้นไงเล ย, เ น, ยนี่หมหายันในทางพระศาสนาไม่มีการฆ่าไม่มีการบูชายันไม่มีการทรมานไปจนถึงปฐมฌานทุติยฌานตัติยทานเจตุทะฌานอรูปฌานแล้วก็ไปวิปัสสนาญาตมรูปมากผล ใช่ไหมชำระกี่เลยเป็นต้นได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นต้นพระพระุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่ผู้ดําเนินปฏิปทานชอบย่าเข้าไปใกล้ยันเหล่านั้นในพระเจ้าจะเข้าใกล้ยันตพวกนี้ยทยันที่พูดมาในพระเจ้าผู้มีปัญญาควรบูชายันนั้นยันนั้นเป็นยันที่มีผลมากเมื่อบุคคลบูชายันนั้นนั่นแหละย่อมเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไม่มีบาปเป็นยันที่ไปบุญเทวดาและมนุษย์ก็เริ่อมใส่นี่เข้าใจได้ยังนี่เขาเรียกว่านักถิหู Euh, นาทีหูดังคือคือยึดถังเนี่ยยึดถังกับหูตังเดี๋ยวอธิบายฟังหนึ่งเดี๋ยวนี้เมื่อกี้อธิบายยึดถังแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะนาทียึดถังเนี่ยการบวงสรวงในนาทียึดถังยันที่บูชาแล้วในทิฐิกถาในปฏิสัมพิ ธ, ธามะไปบอกว่ายันที่บูชาแล้วไม่มีผลเนี้ยจัดเป็นยันเล็กน้อยเขเรียกขุทกายันโยนาทียึดถังใน ย, ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลเนี่ยส่วน หูตังในการบวงสวงจัดเป็นมหายันคือมหายันโยย่อมปฏิเสธไม่ซึ่งผลแม้ยันทั้งสองนั้นตัวหูตังนี่เป็นการปฏิเสธยันดังกล่าวทั้งขุดถกาญยันโยแล้วก็มหายันโยจัดเป็นยันใหญ่เป็นการปฏิเสธการบูชาต่างๆเหล่านั้นแต่ในที่นี้นะคำว่าหูตังที่กล่าวก็อธิบายเนี่ยแต่ยึดถังในอธิบายมาเนี่ยแต่ในคัำพินิษบอกหูตังนการทํามงคลด้วยการนําไปบูชาอาหานญาการจัดเตรียมไว้ต้อนรับป่าหุนญา ย่อมรู้ว่าการกระทํานั้นสามารถจะให้ผลได้ใช่ไหมแต่มิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายถือว่าวิบากที่เป็นผลของการต้อนรับแขกทั้งหลายนั้นไม่มีผลเ้าเรียกว่าเป็นการบูชาเหมือนกันนะหูตังเนี่ยหูตังก็บางศัพไปแปลว่าบวงสรวงแปลว่าบวงสรวงนี่ควรจะแปลว่าอะไรเนี่ยในที่นี้แปลสองอย่างมีที่หนึ่งแปลว่าการทํามงคลด้วยการนําไปบูชาเป็นเอาหนายะไปเลยหูตังตังตวเนี้ยสรุปแล้วตรงนี้ก็คือว่าแปลบอกว่า นัตถิยิธถังการบวงสวงไม่มีผลหูตังการบูชานั้นไม่มีผลนะนัตถิหูตังหูตังตัวนี้แปลว่าการบูชาแต่ยิธถังนี่เป็นการบวงสวงนั่นแหละเป็นมหายันมหายันการบวงสวงห้าประการนี่นแหละแต่ยันในที่เนี้การการบูชายันในที่นี้นะยันในที่นี้ในพระศาสนามีและเป็นยันที่มีผลมากมีอริสงมากเดินที่ได้กล่าวอาระการต่อไปก็คือเกี่ยวในเรื่องของ นัตถิสุขตาทุกตานางนี้ได้แก่กุศลกรรมบวชสิอกุศลกรรมบวชสิบนีชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วย่อมรู้โดยซึ่งกรรมเหล่านั้นมีผลแต่คนมิฉาทิถีถือว่าวิบากอันเป็นผลนั้นไม่มีกลุ่มเหล่านี้ปฏิเสธนัตถิตุกตาทุกตานางกรมมานางปรังวิปากโกนี่นะผลวิบากกรรมที่บุคคลทำดีทําชั่วไม่มีคือปฏิเสธซึ่งผลแห่งบุญกรรมปไปเสดบุญกรรมก็คือทานในกุศลศิ่งกุศลเป็นต้นนั้นเนี่ยนะ แต่นี้เขาปฏิเสธผลแห่งทานปฏิเสธซึ่งผลแห่งบาปกรรมมีปาณาติบาตินาทานการเมียสุมิจชาจานมุสาวาตปิสุนาวาจาพุทธสวาจาสัมภปราปะแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของอภิชาวิยาบาดมิจ่ า, าทิฏิกเขาปฏิเสธนี่นะทั้งฝากดีและฝ่ายไม่ดีทั้งกุศลกรรมบวชสิบอ ก, กุศลกรรมบวชสิบพวกนี้เกาถือว่านัดทีไงผลของกรรมดีกรรมชั่วนะ่ะไม่มีดีปฏิเสธตั้งแต่ทานอากุศลเป็นต้นไปเลยนะเป็นต้นไปเลยเขาเรียกว่า กรรมที่ทําผ่านทางทวานิสสามทั้งเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยปฏิเสธเป็นการปฏิเสธทีเนี้ยว่าวิบากที่เป็นผลเนี่ยไม่มีตรงนี้ก็เวลาไปศึกษาเกี่ยในกลุ่มของวิชาทิถีแล้วก็เห็นชัดใช่ไหมเขาปฏิเสธทีนี้เยอะแยะหมดในกลุ่มพวกนี้ปฏิเสธผลของกรรมต่งที่ได้กล่าวไว้แล้วประการต่อมาคือว่านัถิอยังโลโกวิชาทิถีถือว่าผู้ตั้งอยู่ในโลกอื่นไม่มีในโลกนี้มาอย่าเขาว่าปโรปราโรเกทิตโตอิมังโรกังนัถิ แปลกดีโลกนี้ไม่มีคือด้วยกรรมที่ทําไว้ในการก่อนเอาปฏิเสธอะไรเนี่ยนาติปโรโลกเนี่ยเออหน้เออเข้าไปนาตีปยังโลกเนี่ยอย่างโลโกเนี่ยทีนี้สังขารลโลกสังขารลโลกสัตวโลกโอกาสเชโลกในโลกอื่นนะปัจจุบันมีสังขาระโลกมีใช่ไหมสัตวโลกมีไหมภาชนะโลกมีใช่ไหมปฏิเสธสังขารลโลกในโลกอื่นที่กำลังทํากรรมมาแล้วจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ยังไก็ปฏิเสธ เขาปฏิเสธว่าสัตว์ในโลกอื่นที่กำลังทำกรรมมาไปเสร็จเนี่ยแล้วก็มาเพิ่มจํานวนในโลกนี้ไม่มีเออเขาปฏิเสธถึ่งนั้นงั้นคำว่าโลกนี้เนี่ยนะโลกนี้นะไม่มีเนี่ยโดยโดยโดยสักเขาเนี่ยเข้าใว่าโลกโลกนี้ไม่มีเโลกนี้ไม่มีเนี่ยเออเราคิดว่าจะเอ๊ะก็เห็นอยู่ใช่ไหมก็โลกใบนี้มีอยู่สัตว์โลกก็มีอยู่สังขารโลกก็มีอยู่ทั้ง3ามชนิดเนี่ยที่ไหนได้เป็นการปฏิเสธสัตว์ที่ทำกรรมจากโลกอื่นเพิ่มมาสู่โลกนี้ เขาก็เชื่อว่าดวงดาวมีในกลุมมืแต่บางคนเนี่ยเขาเชื่อภาชนะโลกใช่ไหมเขาเชื่อพวกจักรวาลแต่เขาไม่เชื่อว่ามีสัตว์โลกไม่เชื่อว่ามีสังขาระโลกอยู่ใช่บางกลุ่มก็อย่างนั้นแต่ว่าจริงๆเขาไม่แยกแยะอย่างนั้นหรอกแ ต, แต่แต่เราเจาะให้ลึกเราจะเห็นเราเจาะให้ลึกก็คือเอาเอ า, เอาโลกสามไปจับดูเพราะว่ามีโลกที่ไหนก็มีสัตว์ทวโลกนี่เนะียแต่หมายความว่าต้องดูด้วยนะโลกใดด้วยดาวบางดวงอาจจะไม่มีก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นเป็นแค่อุตุชีพอยู่เฉยๆก็ได้ แต่น้อยที่จะไม่มีแต่ว่าเราจะเห็นหรือไม่กันนั้นเองใช่ไหมเพราะบางอย่างก็ไม่ใช่พิสูจน์ได้ด้วยตาของคนใช่ไหมแต่ว่าโดยสรุปก็คือกลุ่มเหล่านี้ปฏิเสธปฏิเสธสังขาระโลกปฏิเสธสัตวโลกแต่เขาแยกบางกลุ่มเขาแยกไม่ออกหรอกว่าบางครั้งอย่างนั้นก็ได้บางครั้งถือว่าศูนย์ใจโลกนั้นก็ได้มีรายละเอียดเยอะผูดถึงวิชาทิฏฐิเนี่ยมันกลุ่มอุเชตทิฏฐิก็ได้เที่ยงก็ได้เที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างใช่ไหมบางกลุ่มก็เห็นว่าเป็นคนก็เป็นคนอยู่นั่นแหละ เป็นสุนัขก็เป็นสุนัขอยู่อย่างนั้นแหละอะไรก็ต่างๆไปเยอะแยะหมดมันรายละเอียดของมิจฉาทิฏฐิได้ไปแตกอีกเยอะจากหกสิบสองเนี่ยจากหกสิบสองไดแตกไปอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตามจริตอธัธยาศัยของศัตท์เยอะแยะมากเราไปนั่งคุยกันโดยจริงๆทีเจาะกันไปเจาะกันมาบางทีเขาเห็นคนละเรื่องเลยบางทีเราดูหน้าตากเราดูนนหน้าอยากเห็นผิดเนี่ยพอไปนั่งคุยคุยสักพักหนึ่งเดินหนีเร็วไม่ไหวแล้ว อย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหนั้นความเห็นของสัตว์โลกนี่เป็นอย่างงัน้นี่เขาเรียกว่าปฏิเสธว่าผู้ตั้งอยู่ในโลกอื่นไม่มีในโลกนี้ใช่ไหมนั้นสังขารและโลกในโลกอื่นหมดสิทธิ์มาอยู่ในโลกนี้สัตว์โลกในโลกอื่นหมดสิทธิ์มาเกิดในโลกนี้มีปฏิเสธเขาเรียกว่านัทถียังโลโกมาจากคาว่าปาระอระโลเกทิตโตทิตโตอิมงังโลกัง น, นัตถิมีปฏิเสธเลย ประการต่อมาบทบอกว่านัตติปรโรโลโกเนี่ยคนมิฉาทิฏฐิย่อมถือว่าผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นนี่มาจากว่าอิท่าโลเกนะทิโตปราโลกังนัตติปฏิเสธยังไงโลกหน้าไม่มีคือด้วยกรรมปฏิเสธกรรมเกตนาที่กําลังทํากันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิฏฐธรรมเวทนากรรมอุปชาเวทนากรรมมาปราประเวทนากรรมทั้งหลายเนี่ยที่จะนําไปสู่ในพพหน้าไม่มี นี่ปฏิเสธเลยบอกว่าปฏิเสธเลยเนะี่ยกรรมเนี่ยทำกันใบซุนเปล่าที่จะไปเกิดในโลกหน้าเป็นใบไม่ได้มันจะไปได้ยังไงเป็นคนละที่เป็นคนละทิศเป็นคนละใบหมดสิก็ปฏิเสธตรงนี้ก็ปฏิเสธอีกเยอะในรายละเอียดอีกมากก็จะเป็นสัสตว์สัตว์ิฐถีใช่ไหมก็ได้บางพวกสัตว์ทิศถก็คิดยังไง ร, รู้ไหมบอกไปไม่ได้หรอกที่ไปได้ไงโลกหน้าตายก็อยู่โลกนี้แหละอย่างงั้นกลุ่มหนึ่งแต่เห็นว่าเที่ยงกระดาษเห็นว่าขาดศูนย์ตายแล้วหมด10ิโลกหน้าไม่มีหรอกอย่างนี้ก็ได ก็แล้วแต่เห็นไหมว่าการตั้งวิธีคิดตรงนี้วิจิตไหมเรื่องเรื่องวิจชาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยซึ่งลองอธิบายถ้าเราไม่มีคําสอนพระเจ้าเป็นเมนเป็นหลักไว้ดูดิเรียนไปก็งงถ้าเราไม่มีสิ่งที่ถูกนะไว้เป็นหลักเทียบนะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมาเทียบเขาไว้นะยุ่งเลยยุ่งเลยเรียนวิชาทิฏฐิตรงนี้ใช่ไหมเรียนไม่ใช่เสพติด เ, เรียนเพื่อให้เห็นโทษว่านี่แหละทั้งทั้ที่เกิดในขันธะาดชะธนนะของท่านทั้งหลายอยู่นี่แหละ บางครั้งบางขนาดเนี่ยแล้วก็เคยเกิดอย่างห น, นเนี่ยบางทีเป็นผู้นําชุมชนในการกล่าวอย่างนี้ด้วยเราเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามานั่งเรียนรู้เขาแต่เรียนรู้ด้วยปัญญาเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วยมิจฉาทิฏฐิถ้าไปเรียนรู้ด้วยมิจฉาทิฏฐิโอ้ดีนะเนี่ยได้ไปสมาทานมิจฉาทิฏฐิอีกใช่ไหมโอ้เห็นอย่างนี้ซะก็สิ้นเรื่องเอาสิ้นเรื่องมาเห็นแบบนี้เห็นว่าโลกหน้าไม่มีซะจบมันมันไม่จบความจริงมันไม่จบแค่ตรงนั้นส่วนคําว่า นัตถิมาตานัตถิปิตาเนี่ยนะนัตถิมาตานัตถิปิตาย่อมรู้ความที่มารดาบิดามีอยู่มีอยู่นะแต่มิชาทิฏฐิย่อมถือว่าวิบากอะไรอะไรอันเป็นผลด้วยปัจจัยที่จะทําให้มารดาบิดาเหล่านั้นนะไม่มีอันนี้เป็นการปฏิเสธซึ่งผลกรรมที่ทําไว้ในมารดาบิดาเนีเมื่อเราจะทําตรงนี้ตรงนี้พิจารณาอย่างไงด้วยมั้ยพอปฏิเสธผลกรรมที่ทําไว้กับมารดาบิดา ก็เป็นการปฏิเสธคุณของมารดาบิดาแล้วก็ปฏิเสธว่าสัตว์ทั้งหลายเคยเป็นมารดาบิดาด้วยมันมันลามไปเยอะเลยไอ้ข้อนี้มันลามไปยืดถึงขนาดปฏิเสธบุคคลอื่นว่าเคยเป็นมารดาบิดาเนี่ยน่ะนะเข้าแต่เข้าเป็นปัหากลานพุทธพน์เลยใช่ไหมเพราะว่าในพุทธพน์ในคําสอนเนี่ยก็องค์กล่าวว่ายังไงเกี่ยวในเรื่องของสังสาร ว, วัตสัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาบิดาเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมสัตว์ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันนะ่ยไม่มี ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็ให้เห็นชัดว่าในกลุ่มที่ปฏิเสธมารดาบีดานก็ปฏิเสธรวมพวกนี้ไปหมดเลยนั่นอย่าแปลกใจนะถ้าเราจะมานั่งโกรธเมื่อวานเนี่ยมาโซเดนนายกพระเล่นตรงนี้ก็เลยบอกว่าทําไมเรากล้าโกรธคนนี้ทําไมเรากล้าไม่พอใจคนนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่คนคนนี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่แล้วทําไมเราโกรธฮะแล้วเราทําไมไปคิดไม่ดีกันนะใช่ไหมทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เราเคยอาศัยท้องบุญเนี่ยน เก้าเดือนสิบเดือนเนะี่ยเขบอกคิดไม่ออกเนี่ยถ้าหาว่าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นนะว่าโอ้โหสัตว์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมานี่บางครั้งเราก็มามีอุปการะคุณต่อกันบางทีก็มามาปะทุสลายซึ่งกันและกันน่าลังเกียจแท้ใช่ไหมเนี่ยเรามาก็มาเป็นกันอยู่อย่างเนี้ยให้ hey, เหมือนได้จริงๆมันยุ่งหมดแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้จะเอาชาติไหนมาจับก็เหมือนพระธิราที่ระลึกเนะี่ย ระลึกชาติที่ว่ามีอุบาสิกาเคยปริทุสารใหท่านมาทุกชาติเห็นแล้วท่านสลดใจแล้วแล้ท่านแอบชอบด้วยทีแรกว่าโอ้โหท่านบุญนี้ปริทุสารใหเราเอาถ้าเราเป็นบุรุษชนเนี่ยนะแล้วเราเลึกได้สักธิชาติว่าท่านบุญนี้เคยฆ่าเรามาสิทชาติเราจะเข้าใกล้ไหมเราเห็นว่าโอ้โหท่านบุญนี้นึกได้เราเออเรานึกได้แค่สิทธิชาติพอดีแล้วระลึกที่ใดก็เห็นฆ่าเราตัดคอเราเรื่อยเลยเนี่ยหลอกเราไปฆ่าหลอกเราไปโยนนะเราก็โหยเห็นแล้วกลัวรานเลยยังไม่กลัวเลย เหมือนพระได้ระลึกได้ทั้ง90ชาติเมื่อตอนนั้นน่าทั้ง90ชาติ99ชาติแเ้าติระลึกโอ้อุบาสิกาคนนี้ทำไมบัตถศร้ายเราขนาดนี้วะงั้นท่านโอ้โหเห็นก็กลัวเลยอ่ะอุบาสิกาก็เลยบอกระลึกไว้อีกท่านให้ระลึกเลยจากนั้นไปอีกจึงเห็นอุปการ์แล้วว่าเคยให้ให้ชีวิตเราเอางไงอย่างนี้เป็นต้นว่าโอ้โหสังสารวัฏนี่น่ากลัวมากอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงถึงบอกว่า ที่พระเจ้าถึงบอกว่ามีทุกข์มากมีความขับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยดุลย์ยาควรพึงเจริญกุศลแต่กรรมนี่มีโทษมากที่กล่าวเมื่อตอนเช้าอ่ะมันมีมันมีโทษมากมีสุขนิดนิดเดียวแค่นั้นน่ยเป็นความฝันนอกนั้นอ่โหเจ็บปวดให้ความเจ็บปวดตรงนี้ท่านพูดเดี๋ยวนี้อย่าลืมนะพระโพธิสัตว์ท่านเห็นอย่างนี้ยังบุนแรงเลยเนะีแต่ท่านไปไม่ได้เพราะกรุณาตักเตือนม้ากรุณาตักนั้นเราก็ต้องทําให้เข็นให้แหลงให้แรงเขาไว้เจได้มากเขาไว้ ทำไมแอมมาเคยตั้งประเด็นถามว่าทำไมคนไม่เห็นทุกข์ไม่เอาไปนั่งวิจัยลองที่ไม่ไม่เกินยี่สิบนาทีลองมานั่งวิจัยกันปัญญาอย่างที่ฟังมาทํำอย่างเราเนั่งวิจัยทุกข์ดูเดือทุกข์อยู่ดูชาติมันเป็นทุกข์ยังไงชราเป็นทุกข์ยังไงพญาธิเป็นทุกข์ยังไงมรณะเป็นทุกข์ยังไงความโศกเป็นทุกข์ยังไงความลำเลียงลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคัดแค้นใจดูอยู่ตเนี้ยลองดูอยู่สักสามสิบนาที สามิบาทีเห็นเพิ่มเป็นชั่วโมงดูไปเรื่อยๆดูทุกวันทุกวันมาเดือนหนึ่งจะเปลี่ยนไปเลยพวกเราเนี่เปลี่ยนหมดเลยไอความรู้สึกสะดุ้งสะเทือนจะเกิดชัดชัดมา ก, อกโอ้โหเชื่อแล้วพระธรรมของพระเจ้ายิ่งเพ่งยิ่งชัดต้องไปเพ่งเนะี่ยเพ่งทุกข์ขัดเนะี่ยใช้ปัญญาเพ่งไว้เลยไมย่หมายเพ่งคลิกเพ่งถู ก, ลถกแล้วก็สังเกตด้วยนะสังเกตด้วยนะเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าไปรู้หรือมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิมันจะกลัวใช่ไหมมันจะไม่อยากไขว้กลวนใช่ไห้เอสมมาทิฏฐิ แล้วก็เพียนพยายามเพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิสติก็ตามลึกเพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเพียนพยายามวิจัยไปเรื่อยๆค้นหาไปเรื่อยๆฟังมาทำเรื่อยค้นเรื่อยฟังมาทําเรื่อยๆคนนะครับประเด็นชัดมนุษย์ไม่เคยกล้าคิดนั่คิดจริงๆเดูยดีแล้วจะเห็นคุณของวิญาณถ้าโอ้โหรู้สึกไม่มีสารณะไม่มีที่พึ่งแล้วกันเนาะเจริญพุฒิคุณเข้าจใจไหมสองส่วนเลยคิด2 ส, ส่วนไปอยู่อย่างเงี้ยเจาะก็เรื่องกลามาคุณเรายังคิดได้เป็นวัน ใช่ไหมเรายังเพี้ยนพยายามคิดได้เป็นวันแล้วเรื่องนี้ทำไมไม่คิดไม่ยากเลยที่เราจะคิดเนี่ยประการต่อมาก็คือนัตถินัตถิสัตาโอปปัติกาย่อมถือว่าสัตว์ทั้งหลายผูดจุดติและปฏิสันที่ไม่มีปฏิเสธจุติปฏิสนที่นะนัตถิสัตาโอปปัติกาเนี่ยนัตถิสตาโอปปัิการโอปาัติการสัตว์ไม่มีคือปฏิเสธอะไรปฏิเสธการอุบัติขึ้นอันมีกรรมเป็นเหตุอันมีกรรมเป็นปัจจัยนี่ปฏิเสธหมดเลยนะปฏิเสธประเภทไหนทั้ง อันทชาชาลาพุชะค้าประเสริญากาศแล้วก็โอประปาดิการนั้นการอุบัติเกิดขึ้นเนะี่ยแท้จริงมีกา ร, รเป็นปจนะัจจัยในการอุบัติทุกชนิดเนี่ยไปเห็นแมลงอุบัติเกิดขึ้นก็กลุ่มนักสัตววิทยาทั้งหลายเห็นไหมพวกชีววิทยาทั้งหลายก็บอกโอแมลงเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรก็วิจารณยกันไปแต่ลืมอยู่ข้อนึงคือกรรมไม่เข้าใจกรรมเป็นปัจจัยให้กับแมลงเหล่านี้เกิดยังไงไม่เข้าใจว่านอนเหล่านี้มีกรรมเป็นปจัจจัยทําให้เขาเกิดยังไง ไม่เข้าใจว่าพวกแมลงวันทั้งหลายอบยียสัตว์ทั้งหลายหอยก็ดีเนะีกบเขียดกุ้งปลาปูทั้งหลายเหล่าเนี้นะพวกสัตว์น้ําสัตว์บกทั้งหลายเหล่านี้ที่เต็มไปหมดเนี่ยนะว่ามันมีกรรมเป็นปัจจัยนะนอกจากที่คุณเข้าใจในเรื่องของด้านชีววิทยาแล้วเข้าใจใช่ไหมนี่เขาปฏิเสธเขาปฏิเสธตัวเหตุเทตที่สําคัญที่สุดคือกรรมอ่ะแต่เนี่ยพวกเนี้ยพวกนักติสตาโอปาติกาพวกนี้ปฏิเสธอะไรโอปปาติกาศาสตว์คือ ปฏิเสธอะไรการอุบัติเกิดขึ้นการอุบัติเกิดขึ้นของสัตว์ทุกจําพวกนั่นแหละอ๋อในชั้นนี้ก็บอกว่านัธถิสัตตาโอปาาติกาคือปฏิเสธสัตว์ทั้งหลายผู้จุตติและปฏิและปฏิสนธิไม่มีโดยหลักถ้าอธิบายคุมต้องอธิบายยังกลับมายัางนั้นว่านัธถิสัตาโอปาติกาโอปาปาติกานั้นหมายถึงการการอุบัติการอุบัติขึ้นก็คือการปฏิเสธจุตติ ด, ด้วยเป็นการปฏิเสธปฏิสนธิด้วย ว่าไม่มีกรรมเป็นปัจจัยเพราะในที่นี้ก็แล้วอธิบายไล่อธิบายเรื่องกรรมพวกนี้ปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมเนไหมทุกข้อทุกข้อนี่บางกลุ่มก็ปฏิเสธผลบางกลุ่มก็ปฏิเสธเหตุบางกลุ่มก็ปฏิเสธทั้งเหตุและผลใช่ไหมแต่ที่แน่คือกลุ่มนี้คือ ก, กลุ่มนาติกาทิถิเพราะกลุ่มนาติกาทิถีก็คือปฏิเสธตัว ก, กรรมนี่นแหละแล้วที่สรุปให้ฟังตอนเช้าไงว่าปฏิเสธเหตุเชื่อว่าปฏิเสธผลปฏิเสธผลเชื่อปฏิเสธเหตุปฏิเสธการกระทำก็เชื่อปฏิเสธทั้งหมดด้วย สรุปก็คือว่าทั้ง3อย่าง đó, จ, Android, er จะอธ like ิบายจะปฏิเสธเหตุก็ชื <im> ่อว่าปฏิเสธผลจะปฏิเสธผลก็เชื <im> ่อว่าปฏิเสธเหตุปฏิเสธการกระทำก็ชื่อปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลเป็นต้นสรุปแล้วปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือปฏิเสธทั้งหมดปฏิเสธทั้งหมดนั่นเองกลุ่มนี้นี่เหมือนการกลุ่มนากติกาทิฏฐิเนี่ยเห็นว่าไม่มีเนี่ยนี่คือปฏิเสธกรรมก็ได้ปฏิเสธผลของกรรมก็ได้แล้วก็ปฏิเสธการกระทําด้วยใช่ไหมเพราะถือว่าการกระทําก็ต้องไม่มีด้วยเพราะนักติการทิฏฐิเนี่ย ฉะนั้นถ้าบอกว่านัตถิสตาโอปาริกาบอกว่าโอปตาธิกา์กไม่มีอันนี้ปฏิเสธอะไรปฏิเสธการอุบัติเกิดขึ้นการอุบัติขึ้นไมา่ใชา่ที่มีกรรมเป็นเหตุที่มีกรรมเป็นเหตุคือตรงนี้คือในชั้นของอัตถริยมาสองแห่งมาในชั้นของปฏิสัมพิทามรกมาในชั้นของอัตถสารีนี ทีนี้ถ้าถามว่าท่านนิย่าการอธิบายท่านอธิบา ย, ยัางไงท่านบอกอนัตติสตาอุปปฎิกาคือย่อมถือว่าสัตว์ทั้งหลายผู้จุดติและปฏิสนธิไม่มีคุ้มหมดเลยถ้าไม่คุ้มหมดแล้วว่จบเลยเพราะว่าไม่ที่อธิบายมาไม่ได้พูดเรื่องจุดติปฏิสนธิสัตว์นะนะไม่ได้พูดถึงการอุบัติของสัตว์ได้ประเภทต่างๆนะนั่นท่านมาสรุปไว้ข้อนี้สรุปไว้ข้อนี้แค่ปปเวลาอธิบายตรงนี้อย่าไปเอาเฉพาะแค่โอุปาฎิกาอย่าไปเอาแค่นั้น ดังนั้นแปลว่าอธิบายยังไม่หมดไม่หมดคืออะไรแล้วถามว่าทิฏฐีประเภทนี้มีจริงไหมต้องดูมีจริงไหมพวกปฏิเสธ ป, ปฏิเสี้ยว่าไม่มีเหตุเป็นปัจจัยไม่มีกรรมเป็นปัจจัยมีเลยเอาเขาเขาเชื่อลองให้หมอเนี่ยเอาหมอนี่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะรู้อ๋ออาศัยเห็นไหมอาศัยเหตุปัจจัยปัจจุบันเท่ง น, นั้นแหละเอาแม่อาศัยสามีภรรยาเลยไหมหรือถ้าสัว์เดรัจฉานก็อาศัยเพศผู้เพศเมีย แล้วก็อาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้สัตว์เกิดมาได้แค่นี้เองเขาปฏิเสธอะไพวกนี้พวกนี้นัตถิสตาโอบริก迦พวกปฏิเสธบอกว่าปฏิเสธเนี่ยเกี่ยวเนื่เรื่องข อ, องสัตว์ทั้งหลายคุตติปเทนที่ปฏิเสธบอกว่าไม่มีถือว่าไม่มีไม่มีอะไรไม่มีกรรมเป็นเหตุไม่มีกรรมเป็นปัจจัยต่อไปก็คือบทว่าสัมมัคตาสัมมาปฏิปันนานี่ศัตว์นึงนี่แหละที่มานั่งเลียงกันอยู่เนี่ยเ่้ามา ตรงนี้ถ้าใครเคยเรียนมาแล้วเนี่ยถ้าหยิบถ้าหยิบอัตกระถาที่เดียวอธิที่บนะจะต้องแยกเพราะในอัตกถาที่หนึ่งเนี่ยจะมาจะบอกที่มาให้ในในที่หนึ่งเนี่ยท่านท่านแยกไว้แต่ในอีกที่หนึ่งท่านมามาสรุปไว้ให้ก็คือในอัตสาลีนีในอุปาทานิโคโคชกาคือในทิฏฐุปาทานานิเทศอธิบายนัตฐิอันมีวัตถุสิบประการก็ว่าแล้วก็ในปฏิสัมมิธามาร์ใช่ไหมในอัตกถาสองแห่งเนี่ย ทีนี้ในปฏิสัมพิธามกจะอธิบายรวดเดียวเลยรวดเดียวก็คือคำว่านัตติโลเกสมนาพรามนาเนี่ยนะก็จะไล่ไปเลยตามลำดับก็คือว่าอธิบายบอกว่าสมนาพรามทั้งหลายผู้ปกพิดีมีสัมมาปฏิบัติกระทำให้แจ้งแล้วซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยพิญญารู้ด้วยตนเองย่อมประกาศให้รู้ตาม ไม่มีในโลกคือปฏิเสธซึ่งปฏิบัาในการได้พิญญาเพื่อความเห็นในโลกนี้และโลกนะานี่เลยไปส่วนใน1ท่านจะแยกเป็น2บทบทว่าสัมมักตาสัมมาปฏิปนาบทหนึ่งบทว่าเยอิมันจารโลกังป ร, รันตาโลกังเบป ร, รัญจารโลกังสยังพิญญายะสจิตตะวาปเวนเทนติบทหนึ่งเพราะมาแยกอย่างนี้ก็เลยแยกอธิบายเลย แยกอธิบายว่าสัมมาคาตาสัมมาปฏิปปนาคือถือว่าสมณะพรามผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งปฏิปทานสมควรไม่มีในโลกอธิบายตรงนี้ใหนหนึ่งสนเย่ยมันจะโรกังป ร, รัญจะโรกังก็คือย่อมถือว่าพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูผู้สามารถรู้โลกนี้และโลกหน้าด้วยพญายนอันประเสริฐยิ่งได้พวกเอ ง, เองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามไม่มีก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ตรงนี้กลายเป็นกี่บทไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่ ลองไล่ดูทีนาทิทินัง1หนึ่งนะนาทยิตถังสองนาทีหุตังสามนาทีสุกตาธุกตานังกัมมานังพลังวิปากโกนิสี่เนาะนาทยายังโลโกห้านาทิปโรโลโกหนาทิมาตาเจ็ดนาทิพิตาแปดนาทีสตาโอปปาติกาเกใช่ไมพอมาแยกว่า ที่จริงได้นัตถิโลเกสมณะพรามนาสมัสมมคตาสัมมาปฏิปัณนาเ ย, ยมันจะโรกังป ร, รัญจารโลกังสยางอภิญญายาสัจจิกตวาประเวนติอันนี้ศัพท์เดียวกันเพราะเป็นสิบทศทัศวัตุสิบเ พ, พ, พราะวอกทศทัศวัตุสิบเป็นสมณพราหม์ทั้งหลายผู้ประพฤติ ด, ดีมีสัมมาปฏิบัติกระทํางไปแจ้งโลกนี้โลกหน้าโลกอื่นเ้วปัญญารู้ด้วตนเองย่ำประกาศให้ให้ให้รู้ตามไม่มีในโลกเนะี่ยรวมเบ็เสร็จเป็นข้อเดียว อัตถกถามาขยายอัตถกถาท่านขยายเพราะอัตถกถามาขยายเนี่ยท่านก็ไล่มาตามลําดับพอขยายไปเสร็จตุ้มมาก็มาแยกเป็นสองบทบทหนึ่งก็คือว่าสัมมัตาสัมมาปฏิปนาณพอมาแยกตรง น, นี้ก็เลยมีการอธิบายกันว่าสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งปฏิปทาอันสมควรเนี่ยไม่มีในโลกนี่ปฏิเสธก็เลยบอกอ๋อบุคคลที่เป็นพาระาอรหันต์ทั้งหลายด้วยหรือมีปฏิปทาที่เหมาะสมด้วย ใช่ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ยินใช่ไหมที่มีการเถียงในเรื่องตัวนี้แล้วก็มาอีกสับหนึ่งก็คือเยอีมันจ่าโรกลางปรัญจาโรกลางสยางพินยายะสัจจคตวะเวเวทตินี่หมายจะเอาพระพุทธเจ้าเลยผู้ประเสริฐแล้วก็ตต่สรู้เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นรู้ mm hmm. ก็เลยขยายเป็น11เลยเอาบทสุดท้ายมาขยายเป็น2ขยายเป็นว่าพระมหารธรรมดาที่ตัดใช่ ไ, ไหมที่ประพุทธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ได้ภิกาทั้งหลายเงี้ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่ไม่ยังไม่มีอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วมันมาจากบทเดียวแต่ท่านมาขยายอธิบายแท้ที่จริงก็คือสิบอยู่นั่นแหละเพราะเป็นท่าสาววัตถุนัตถีไม่มีนัตถีเกี่ยวกับ ใ, ในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของเห็นว่าไม่มีเนี่ยอเหตุตุกาทิฐินักติการทิฏฐิเนี่ยนี่กลุ่มนักติการทิฏฐิทีนี้จะถามว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างพรธเจ้ า, ากับผู้ที่นอกจากพระเจ้ า, ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีใช่ไหม สามารถรู้แจ้งได้ไหมแต่ต้องฟังธรรมพุทธเจ้านีต้องตามนีต้องอธิบายด้วยต้องตามแต่ถ้าสูงสุดจริงๆหมายเอาพอพุทธเจ้าเท่านั้นนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อพูดพุทธเจ้าเหมือนจะพูดพระราชาเสด็จองค์ประกอบไม่ต้องพูดเข้าใจถือว่าเข้าใจด้วยใช่ไหมเอาถ้าพูดพระราชาเสร็จแล้วเนี่ยพระราชาเสด็จแล้วมาตบๆคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องมีองค์คาบเขยกมานั่นเนี่ยนั่นจะพูดพระพุทธเจ้า้ะต้องเข้าใจต้องถานะต้องเข้าใจกัน ว่มีพอบอกพระเจ้าแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพาะระเจ้าเยอะใช่เขาประแจงพระเจ้าก็มีก็คื อ, ค, อ, ค, อความจริงมีอ่ะแต่พวกนี้เขาปฏิเสธว่าพวกตัสรุษเนี่ยไม่มีรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้าแล้วก็สูงไปกว่านั้นสอนให้คนอื่นรู้ตามเนี่ยเขาปฏิเสธว่าไม่มีแล้วใครจะมาสอนให้ใครตัสรุษได้ใช่ไหมมันมีหลายต่หลายกลุ่มกลุ่มว่าเอา้ามันมีที่ไหนแล้วกรรมทีใช่ไหมกรรมมันมีผลที่ไหนล่ะแล้วผลของกรรมมีที่ไหนล่ะ การจะทํามีที่ไหนล่ะฉะนั้นพระเจ้าก็ต้องไม่มีผู้สอนในผู้อื่นรู้ตามก็ต้องไม่มีผู้ประฏิษฐ์บัตรดีปฏิบัติเชอาก็ต้องไม่มีเพราะเรานนั้นเป็นนักติกาวาทีเรามีนนักติก า, าทิฏีใช่ไหมเราถือว่าทุกอย่างไม่มีมเขาปฏิเสธอะไรปฏิเสธผลปฏิเสธผลปฏิเสธเหตุ ด, ด้วยเป็นชื่อว่าเป็นการปฏิเสธการกระทําหมดด้วยนี่ก็เรียกกลุ่มอะไรนักติกาวาทีผู้มีวาทะว่าไม่มี ถ้าความเห็นของเขาว่าไม่มีด้วยเขาเรียกนักทิศทิถิมีความเห็นว่าไม่มีด้วยแล้วมีการกระทําอย่างนั้นด้วยไหมมีการกระทําอย่างนั้นด้วยนี่เข้าใจเนอะนี่คือกลุ่มวาทะเป็นมิจฉาวาทะคือคาพูดเนี่ยนะนิทนิกทินนางอย่างนี้มิจฉาทิถิคือก็วิปริตอย่างนี้ก็วิปริตเอาต่อไปต่อทีนี้ในการต่อตรงนี้ก็คือโอ้ทุกที่จริงเรียนไอ้เมื่อเช้าอธิบายอะไรเนี่ อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพอจบหมดแล้วนะเรื่องกรรมเมยกิเลสเลวิบากอะไรอุปวัฒนะแล้วก็อนีวะอานาวอิติกรมาเนี่อธิบายอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรนะ่นตรงนั้นมิจฉาเออถ้ากรรมเนี่ยเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนก็แล้วกันจะต้องไปขยายข้างหน้าอลยเดี๋ยวไปอธิบายข้างหน้าดีกว่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ว, ย ว, ยวไปตามไปข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวจะไปซ้ํากั น, นอีกเอาดูในทีคณิกายสีรักขันาวักในมัชฌิมานิกายก็ได้ในอุปริปันธา ในมหาจัตตารีสกัดสูตรเนี่ยสูตรเนี้ยนะที่จิ๊กต่อสูตรนี้มากล่าวมันมาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงอยู่เนี่ยมันจะเรื่องยาวใหญ่เล ย, ยเรื่องนี้อ่าก็ลองดูในถ้าใครใครจะดูก็ได้ในสูตรเนี้ยน่ะไปหยิบดูเองเล่มที่22ก็ดูประกอบได้ในมหาจัตตารีสกัดสูตรถ้าใครอยากจะดูเนี่ยมีมีเยอะในห้องคอมนันก็มีเล่มสีเขียวเขียวสีฟ้าหน่อยเล่มที่หยิบสองนะ สามารถไปเปิดดูได้เลยนะก็ะคือเขาเรียกว่าถ้าสามารถจะดูประกอบไปได้ก็ดูเลยใ น, ในมหาจตารีสกัสูตรเล่มที่22่ออนี่นีตรงนี้อ๋อในตู้เล่มสีฟ้าก็ไม่มีเลยนะ เ, เล่นๆนั่นแหละในหน้าที่320ี่ในมหาจตารีสกาสูตรว่าด้วยธรรมะหมวดใหญ่40เนี่ยนะ คำว่าธรรมหมวดใหญ่40เนี่ยได้กล่าวมาค่อนข้างจะหลายครั้งก็คือเป็นฝ่ายกุศลได้20เป็นว่าอกุศลได้ยี่สอายุตัวอย่างอย่างนี้นะจะได้เห็นช้าๆก่อนเพื่อได้ทาความเข้าใจหมวดใหญ่40่สิบวชเขาเขาเนับยังไงเช่นสมาธิฏฐินะสมาธิฏฐิสมมาสังโปัสสมาวาจสมมากรรมันตาสมาชีวสมมายมัสสัมมาสติสมาสมาธิแใช่ไหมสมาญาณะเป็น9นีแล้วก็สมมาวิมุติเป็น10บพอดีใช่ไหมแล้วก็ปัจจัยของเขาอีกสิ ปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาธิฏฐิเป็นต้นจนถึงสมาวิมุตติเนี่ยอย่างละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งเมื่อเสร็จก็กลายเป็นอีก10รวมเป็นฝ่ายกุศล0ี่อากุศลก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมิจฉายานาแล้วก็มิจฉาวิมุตติ10บไหมอกุศล10แล้วปัจจัยกังเขาอีกสิเป็น20 เขายกว่ากุศล20กับอกุศล20กลายเป็นมหาจัตตารีสกะาสูตรนะเขาเรียกว่าธรรมะหมวดใหญ่40เขาเยอย่างในี่สินะทีนี้ในในสูตรเนี้ยในข้รกสูตรที่7มหาจัตตารีสก่าเนี้ยนะในสูตรที่7จเนี้ยข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านานาณาตะปินิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีภาคเจ้าก็ตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสมาสมาธิที่เป็นอริยะสมาสมาธิที่เป็นอริยะนี่หมายถึงธรรสมาธิที่เป็นโลกุตระทีนี้ไปสอดคล้องอะไรสมาธิสมาธิที่เป็นโลกุตระในที่นี้ต้องไปดูในไหนต่อไปดูในทีคั้กายเชื่อมโยงเราเปิดไม่ทันแล้วแต่เนี้ย ไปดูในทีขณิกายเชื่อมยองอีกเอาในตรงนี้ดูตรงนี้สกัดกั้นเขาไว้จะไหมเรารู้แล้วสมาธิที่เป็นอริยะใช่ไหมถ้าไปดูในทีขณิกายโ ก, ยกเรนอนามาก็ไม่ได้จัดสูตรมาแเราได้นามาจึงจำจำได้อยู่นเนี่ยเนี่ยจะไม่ผิดหรอกจริงกากล่าวกันจริงๆก็จะต้องมายืานยันก็คืออย่างนี้ในวิมุตตายตนะห้า 5, ที่แสดงบ่อยๆอ่ะในวิมุตตายตนะห้า 5, ท่านก็แสดงอะไรแสดงบอกว่า พระพุทธเจ้าแสดงบอกว่าเหตุของความหลุดพ้นมีอยู่5ประการเนี่ยก็คือว่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าในข้อแรกเนี่ยถ้าสรุปงี้นะเมื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าแล้วเธอเป็นผู้รู้แจ้งอัตถะเป็นผู้รู้แจ้งธรรมะเมื่อรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะแล้วปราโมทก็เกิดขึ้นกับเธอใช่ไหมเมื่อปราโมทแล้วก็เป็นปัจัยเกิดปีติปีติเป็นปัจัยเกิดปสัสสติปสัสสติเป็นปัจัยเกิดความสุขสุขก็เป็นปัจัยเกิดสมาธิ นี้ก็เป็นวิมุตตายาณะข้อแรกสมาธิในที่นั้นอธตคถาท่านขยายว่าได้แก่สมาธิที่เป็นที่ใน อ, อ า, ารหัตผลนี่ไงพอบอกสมาธิที่ในอ า, หารหัตผลก็คือสมาธิที่เป็นอริยะในสูตรนี้ท่านตั้งสมาธิที่เป็นอริยะเข้าไว้ไหมก็ไปสอดคล้องกันบอกว่าแสดงฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถที่จะบรรลุสมาธิที่เป็นอริยะได้ก็หมายความว่าจะได้วิมุตตาเป็นช่องทางในการหลุดพ้นเป็ น, เ ป, นเป็นต้น แล้วข้อที่สองก็ไม่ใช่ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้เธอเป็นผู้สแสดงธรรมซะเองเนี่ยพอสแสดงธรรมแล้วก็เกิดอัฏฐรู้อัฏฐธรรมะปราโมทปีติปัปสสติความสุขและสมาธิก็เกิดเห็นไหมอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สองที่เป็นปัจจัยการบรรลุเป็นปัจจัยในการหลุดพ้นใช่ไหมสมาธิอติในที่นั้นน่ยก็หมายความว่าสมาธิที่เป็นโลที่ที่เป็นโลกุตระ สรุปแล้วก็คือแสดงทำแล้วบรรลุได้ข้อที่3ก็คือการสาธยายพระธรรมการทรงจํามาอย่างดีการเรียนมาอย่างนี้แล้วก็มีการสาธยายนี่มีหลักฐานปรากฏหลายที่ในคำพีสังยุทธ์ก็มีคนที่สาธยายพระธรรมแล้วบรรลุเองเนี่ยนะอันนั้นก็ไปกล่าวไว้ก็แปลว่าบรรลุก็แปลว่าเมื่อฟังประการที่4ก็คือการตรึกฟังมาเรียนมาศึกษามาอย่างดีก็ไปตรึกไปตรองตามน้อมโดยใจและอัตถธรรมะปรากฏ ปราโมดปีติปัสสติความสุขสมาธิก็เกิดอีกอันนั้นก็เป็นช่องทางหลุดพ้นั้นก็คือสมาธิที่เป็นอริยะก็เกิดช่องทางสุดท้ายก็คือการกรรมฐาน38เอาไปบริหารอัตถธรรมะปรากฏแล้วก็ปราโมดปีติปัสสติความสุขสมาธิที่เป็นอริยะก็ปรากฏแก่เธอเนี่ยนะอันนั้นก็ช่องทางการบรรลุสรุปก็คือพระพุทธเจ้าแสดงในที่นี้ก็ไปบอกว่าสมาธิที่เป็นอริยะเนี่ยมีเหตุเนี่สัพปะนิสังมีองค์ประกอบนะีสัพปริหารังนี สับริขารังเนี่ยแกเธอทั้งหลายทุกพวกเธอทั้งหลายจงฟังสัมมาสมาธินั้นโดยสรุป ก, ก็คือสัมมาสมาธิมีหลายส่วนใช่ไหมสัมมาส ม, มาธิที่เป็นโลกียาก็มีสัมมาส ม, มาธิที่เป็นโลกุตระก็มีเพราะคําว่าส ม, มาธิเนี่ยเป็นชื่อของเอกคตาเจตสิกนี่ถ้าเอกคตาเจตสิกที่ในอกุศลเนี่ยเรียกมิจฉาสมาธิใช่ไหมมิจฉาสมาธิในที่นี้กล่าวไม่กล่าวแต่เป็นสัมมาเป็นมิจฉาสมาธิที่เป็นฝ่ายอกุศลเป็นธรรมที่จะต้องละ ตวมิจาสมาธิเขาก็มีองค์ประกอบตัวมิจฉาสมาธิเขาก็มีเหตุก็มีสัพปินิสังก็มีสัพปริขาหลังใช่ไหมเขามีองค์ประกอบเหมือนกันก็มีเหตุปัจจัยของเขาเหมือนกันแต่ในที่นี้ท่านต้องการแสดงทั้ง2อย่างควบคู่กันแน่ท่านแสดงทั้งสัมมาสมาธิและมิจาสมาธิแต่ว่าท่านเอาไปสรุปตอนท้ายแต่ตอนนี้ท่านยกสัมมาสมาธิอย่างเดียวมากอกบอกว่าบอกพูดใหเห็นว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยานี่มีองค์ประกอบนี สมาสมาธิเนี่ยมีเหตุนะมีปัจจัยนะที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยตั้งสมาสมาธิที่เป็นโลกุตระเขาไว้แล้วต่อมาพุทธเจ้าก็แสดงบอกอะไรคือองค์อะไรคือเหตุของสมาสมาธิที่เป็นอริยะอะไรคือองค์ประกอบของสมาสมาธิที่เป็นอริยะพุทธเจ้าก็บอกพวกเธอทั้งหลายจงฟังสมาสมาธินั้นเขามาจงฟังนี่เป็นอานัตเลยเนะแล้วยังไม่พอนีใส่ยังย้ำอีกคำหนึ่ยยงจงใส่ใจให้ดีจงตั้งโยนิโสมนัสการให้ดี เราจักกล่าวแปลว่าเราจักแสดงทำโดยสรุปตรงนี้คืออะไรเนี่ยพระเจ้าจบอกเธอทั้งหลายตั้งโยนิโสมนัสิการไว้ตถาคตจะเป็นปารตโตโคสะเกตเธอทั้งหลายใช่ไหมคือปัจจัยจะต้องเอื้อกันเธอทั้งหลายอย่าตั้งอายโยนิโสมนัสิการไว้นะอ้าวถ้าหากว่าตั้งอายโยนิโสมนัสิการไว้อะไรจะเกิดขึ้นตอบได้ไหมต้าบอกว่านาหังพิฆเควเป็นต้น ดูก่อนพิกูุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นซึ่งทำอื่นแม้อย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรือมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นเหมือนอย่างอโยนิสมราสิการนี้เลยนะพิกษุทั้งหลายเห็นไหมถ้านกลัวมากว่าอย่าตั้งอโยนิโสให้ตั้งใจให้ดีใส่ใจให้ดีดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลทําไว้ในใจโดยอุบายโดยไม่มีอุบายนะโดยอุบายอันไม่แยกคายโดยไม่ฉลาดคิดเนี่ยนะ มิจฉาทิฏฐิยี่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและมิจฉาที่ฐิที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญดังนี้นี่แปลว่าอะไรเนี่ยอโย น, นิโสมณสิกโรติเนี่ยอนุปายะอนุปา ย, ปายามณสิกาโร و. บทว่าอโย น, นิโสมณสิการได้แก่การกระทำไว้ในใจโดยไม่มีอุบายคืออนุปายามณสิการที่เป็นไปว่าเที่ยงนะที่เป็นไปว่าสุขที่เป็นไปว่ า, วางามที่เป็นไปว่าเป็นตัวเป็นตน ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่ดีกาท่านสรุปอย่างนี้ในชั้นของดีกาทั้งหลายหลายๆแห่งนั้นจะสรุปอย่างนี้ฉะนั้นอย่าตั้งอยโยนิสมมนุษศึการในการฟังธรรมถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะวิปริตมนสษศึกษาหมดเลยจะไปใส่ใจผิดหมดเลยบอกว่ารูปนี้เทียมเวทนาสัญญาสังขารวิญาณนี้เทียมใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณนิเงษารูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณนิเป็นสุข แล้วก็รูปเบญนาสัญญาสังขารมีอย่างจกเป็นตัวเราเนี่ยแหละเป็นผู้ฟังธรรมไม่ได้มีใครแล้วเราเป็นผู้ฟังธรรมเราเป็นผู้เข้าใจใช่ไหมคนอื่นไม่เข้าใจคนอื่นเข้าใจมากเราเข้าใจน้อยมันก็จะอยู่อย่างเนี้ยแม้วันนี้เราไปฟังธรรมเข้าใจมากเข้าใจน้อยแม่ไม่ค่อยเข้าใจเลยแม้วันนี้ง่วงบ้างวันนี้ไม่ง่วงบ้างวันนี้ผู้แสดงธรรมไม่ถอดีเลยวไอเงี้ยเนี่ยนะไปไหมมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแม้วันนี้ท่านพูดไม่ค่อยดีเลยพูดผิดตั้งหลายคําเลยสมมุติ ยอมนั่งนับดูแล้วแหมผิดจะเยอะเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าการติ้งด้วยกุศลได้นะไม่ใช่ไม่ได้เพราะตรงนั้นน่ยตรงนั้นเนี่ยผู้ดูชนแสดงอยู่ไหมแต่ว่าต้องต้องระวังเหมือนกัน ต, ต้องระวังใจเหมือนกันใช่ไหมต้องต้องระวังใจกว่าเอออยากคือคือขีดเส้นก็ว่ า, วาตรงนี้เนี่ยถ้าแก้ไขจะบริบูรณ์ตรงนี้ถ้าแก้ไขจะบริบูรณ์แต่อย่าไปมีความยึดมัน่นว่าแหมเนี่ยเราเนี่ฟังได้เข้าใจคนอื่นฟังไม่เข้าใจ พระอาจารย์พระอาจารยจะบอกว่ตรงนี้สําคัญแต่ถ้าหากโยนิโสมานัสิการเนี่ยดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่เลงเห็นซึ่งทำอื่นแม้อย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้สามาธิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นสามาธิที่ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นเหมือนอย่างโยนิโสมานัสิการเลยพิสูจนทั้งหลายดูกรพิสูจน์ทั้งหลา ย, ลายเมื่อบุคคลกระทําไว้ในใจโดยอุบายนะโดยปัจธรมมนัสิการโดยการณมานสิกานโดยปายมนัสิการใช่ไหมโดยอุปาท각มนัสิการ โดยมีอะไรบ้างอ่ะโดยปัฏฐามนุษยการโดยการณ์มนุษยการโดยอุปาทกรรมนุษยการและโดยอุปายะมนุษยการเห็นไหมถ้าเธอทําโดยอุบายชอบต่างๆเหล่านี้ก็ไปดูไปสืบคนอะไรอย่างนี้ต่น เ, เ, เรรนี่ยนะทีนี้ถ้าทําไว้โดยโดยอุปายามนุษยการนี้เป็นไปเพื่ออา น, นิจังทุกขังอนัตตาเนะ้นมนุษยการต่างๆเหล่านี้เมื่อบุคคลมี โยนิโสมันเทศการอย่างนี้แล้วสมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นสมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ย่อมเจริญไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นตรงนี้สําคัญมากเล ย, เ, ยเห็นไหมว่าเราต้องการจะศึกษาก็จะเจริญสมาทิฐิเนี่ยเพื่จะลับมิจฉาทีฏฐีเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อเธอทั้งหลายจงใส่ใจเราจะกล่าวต่อไปเนี่ยภิกษุเหล่านั้นกรทูลรับพระพุทธเจ้าว่าชอบแล้วพุทธเจ้าข้านีพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายสมาทิฐิที่เป็นอริยะเนีีนนะะอออมมเเหตุงคค์ปปรกบ็ไื ว่าเลทีเนี้ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจสัมมากรรมฐาสัมมาชีวสัมมาวิมาษัมมาสติไม่มีนะเพราะเอาสมาสมาธิที่เป็นตัวตั้งไว้แล้วใช่ไหมก็กล่าองค์เจ็าเรียกว่าองค์ประกอบอริยสมาธิมีเจอย่างเคตของอริยสมาธิมีอยู่เจอย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแล้วสัมมาสติเป็นที่สุดนี่นะนี่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์7เหล่านี้เรียกว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะอันมีเหตุบ้างอันมีองค์ประกอบบ้างใช่ไหมภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์7จ็ดนั้นใครเป็นประธานสัมมาธิฏิก็คืออย่างนี้เอา7องค์มาตั้งในในเจ็ดอนั้นตั้งยังไงเอาตั้งสมาธิฏฐิเป็นต้นใช่ไหมไล่มาจนถึงสมาสติใน7จ็ดองนี้เอาใครเป็นประธานดีเอาสมมาธมามทิฏิเป็นประธาน เอาสมาธิฏฐิเป็นประธานไปแวดล้อมสมาธิฏฐิแล้วก็เอาสมาทิฏิเป็นประธานไปแวดล้อมสัมมาสังกปะเอาสมาธิฏฐิเป็นประธานไปแวดล้อมสัมมาวาจาเอาสมาทิฏฐิเป็นประธานไปแวดล้อมสัมมากรรมตะเอาสมาธิฏิเป็นประธานไปแวดล้อมสัมมาชีวะเอาสมาทิฏิเป็นประธานไปแวดล้อมสัมมาวายมะเอาสมาธิฏิเป็นประธานก็เป็นแวดล้อมสัมมาสติเพราะว่าสมาสมาธิกล่าวไว้แล้วครั้งแรกไงเป็นปริขาราเป็นองค์ประกอบ และก็เป็นเหตุของสมาสมาธิที่เป็นอายะตอนที่สมาสมาธิที่ที่เป็นอายะที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งในขณะนั้นที่มีนิพพานเบลลบหนึ่งเห็นไหมท่านกล่าวไว้ก็ยางดีทีนี้พอไปแวดล้อมแล้วก็จะละมิจฉาทิฏฐิยังไงกงไ็จะละมิจฉาสังกปายังไงจะละมิจฉาวาจายัางไงมิจฉากรรมตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายมะมิจฉาสติยังไงจะถึงมิจฉาสมาธิยังไงเดี๋ยวท่านก็จะไปไล่ตอนบทสรุปอีกทีนิมเป็นอย่างนี้อันนี้คือหลักจำหลักให้เข้าใจโครงสร้าง พอเข้าใจโครงสร้างแบบเสร็จถึงนี้นี่จะเจริญถูกถ้าไม่เข้าใจแล้วเจริญไม่ถูกนะเอาเจริญยากไหมให้เข้าใจก่อนใช่ไหมพอเข้าใจในองค์รวมแบบเสร็จแล้วก็มาก็ปิดย่อยรายละเอียดแล้วต่อไปก็เดินปเลยนินทำมาค่าควรในชีวิตจริงโอโ้โหนี่เริ่มเห็นช่องทางการบรรลุแล้วใช่ไหมอาต่อไปก็คือว่าในบรรดาองค์เจ็ดเหล่านั้นสมาทิฏฐิเป็นประธานสมาทิฏฐิย่ำเป็นประธานอย่างไรรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็น มิจฉาทิฏฐิรู้จักสมาธิที่ว่าเป็นสมาธิที่ความรู้ของเธอนั้นเป็นเอาละสิตรงเนี้ยเราเรียนมาเลยกลับเรียนมาแล้วเมื่อกี้พิสูุนทั้งหลายเพราะมาอ่านตัวนี้จะคลองขึ้นเลยก็มิจฉาทิฏฐิเป็นเช่ไหนเอาละความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลมาจากอะไรงัดทิทินังไงอย่างนีทานที่ให้แล้วไม่มีผลงัดที่แล้วก็บอกยันที่บูชาแล้วไม่มีผลนัดทียึดถังนะ การบวงสวงนั่นแหละไม่มีผลแล้วก็อะไรอีกการสังเวยนัตถิหูตังแท้จริงท่านได้กับการบูชานะการบูชาแล้วก็แล้วก็ผลใช่ไหมผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีมาจากคาว่านัตถิสุกตาทุกตานางกัมมานางปรังวิบากโกวิบากมันเป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายไม่มีแล้วก็นัตถิอยังโลโกแปลว่าอะไรโลกนี้ไม่มี โลกนี้ไม่มีปฏิเสธอะไรเนี่ยโลกนี้ไม่มีในปฏิเสธอะไรฮะโลกนี้ไม่มีมาจากคาว่านัตเทียยังโลโกคนมิฉาทิติย่อมถือว่าผู้ตั้งอยู่ในโลกอื่นไม่มีในโลกนี้ก็คือว่ากรรมที่ทําในโลกอื่นใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายจากโลกอื่นนั่นแหละไม่มาสู่โลกนี้แล้วก็นัตทิปโรโลโกะนะนัตทิปโรโลโกในโลกหน้าไม่มีคือด้วยกรรมที่ทําไว้ในโลกนี้ก็จะเป็นปัจจัยไปสู่โลกอื่น นี่ก็โลกโลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นเศษกรรมนะหนึ่งโลกนี้ไม่มีปฏิเสธกรรมจากโลกอื่นไม่สามารถนำสัตว์มาเกิดในโลกนี้ได้โลกหน้าไม่มีในเสศษกรรมในโลกนี้ที่สัตว์ทั้งหลายทํา ท, ที่จะนำไปสู่โลกอื่นนั้นไม่มีเ น, นี่นะนัตถิมาตานัตถิปีตาเนี่ยมารดาไม่มีบิดา ม, มีปฏิเสธอะไรผลของกรรมที่ทําไว้ในมารดาบิดาไม้จะทําดีทําชัว่วกะท่านเนี่ยไม่มีผลหรอกมีเปฏิเสธกรรมที่ทํา ไว้กับมารดาบิดานึ่งรุวงเลยไปถึงปฏิเสธบุคคลอื่นไม่เคยเป็นมารดาบิดาก็จบเลยเข้าใจอย่างเดนี้จบเลยแล้วก็อีกข้อนึ่งนั่นแหละปฏิเสธรสสารทั้งหลายผู้จุติและปฏิสนธิไม่มีแล้วก็จากา่าสมมาณพราหณ์ทั้งหลายผู้ประพฤติดีมีสัมมาปฏิบัติกรข้าไม่แจ้งแล้วโลกนี้โลกอื่นโลกหน้าเนี่ยด้วยพญญารู้ด้วยตนเองย่อมประกาศให้คนอื่นรู้ตามไม่มีในโลกนี้นี่ปฏิเสธซึ่งปฏิบทาอันได้พิญญาเพื่อเห็นโลกนี้และโลกหน้า คือปฏิเสธสัมมาสัมพวิยาณด้วยอย่างเนี้ยปฏิเสธสัมมาสัมพวิยานด้ว ย, ว ย, ยปฏิเสธสัมมาสัมโปมมมธิยานเนี่ยปฏิเสธว่าพระธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูสามารถรู้โลกนี้โลกหน้าโดยพยานอันประเสริฐยิ่งได้พระองค์เลี้งและประกาศให้ผู้อื่นรู้อันเนี้ยนี่เราเข้าใจแล้วทีนี้ในสิบประการเนี้ยไม่ใช่แค่นี้อันนี้ท่านกล่าวเป็นหลักเข้าไวน้นีที่เราจะต้องไปรเรียนรู้ตัวมิจฉาทิฏฐิอีกทีวันนี้ที่จะกล่าวกันก็คือว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับสักยะทิฏฐิทั้งหลาย ไอ้ตรงเนี้ยที่จะกล่าวเดี๋ยวต่อไปจะนํามากล่าวเรื่องสักยาตทิฏฐิซึ่งซึ่งตรงเนี้ยน่ากล่าวเพราะว่าเป็นตรงนี้เป็นตัวมิจฉาทิฏฐิที่เห็นไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยที่เรากล่าวเนี่ยการนับว่าเห็นไม่ยากก็ชื่อว่าระดับหนึ่งเลยนะยากระดับหนึ่งใช่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเราตามลงไปไปดูให้รายละเอียดเกี่ยวเรื่องของมิจฉาทิฏฐิที่เป็นสักยาตทิฏฐิที่เป็นอัตตาทิฏฐิเพราะตรงเนี้ยมีคัมภีร์ที่ที่จะช่วยขยาย แล้วก็ค่อยๆถอกกันไปเดินเร็วไม่ได้ค่อยๆเดินช้าๆไปเนี่ยเยตรงนี้ทีนี้ต้องการให้ดูองค์นี้ก่อนคงจะไล่ไล่แบบรวมๆไว้แต่ให้ดูองค์แรกก่อนว่าสมาทิฐินี่เนี่นี่ในสมาทิฏฐินี่นะเป็นฉนไหนก่อนเลยดูที่พิสูจทั้งหลายเรากล่าวสมาทิฏฐิสองประการคือสมาทิฏฐิที่เป็นสาสวะย้ำติมเข้าใจว่าสมาทิฏฐิที่เป็นศาสวะคืออะไรมีอาสวะเนี่ยเป็นส่วนแห่งบุญแห่งผลแห่งขังเนี่ยยเนี่ย แล้วก็สมาธิที่เป็นนาณาสวะเป็นไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคหนึ่งแสดงเ็นชัดว่าสมาธิมีกีกอย่างเป็นโลกียาสมาธิกับโลกุตระสมาธิีใช่ไหมนิ่ท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายสมาธิที่เป็นสาวสวะเป็นส่วนหนึ่งบุญให้ผลหนึ่งขันเป็นชไหนความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลนี่ต้องเงินค่าเลยใช่ไหมก็ที่เข้าใจว่านี่เห็นถูกพวกนี้เป็นตามปรกตาสมาธิเนี่ยเขาเห็นว่าการให้ทานมีผลยังไม่มีหรอ ใช่ไหมยันที่บูชาแล้วนี่มีผลเขาเรียกว่าอัถีนะก็เปลี่ยนเป็นจากนัฐีก็เปลี่ยนเป็นอัถีไปถ้าบอกนัฐีทินนางก็อัถีทินนางไปเลยใส่ใส่ศัพท์ข้างหน้าแค่อัฐีทินนางทานที่บุคคลให้แล้วมีผลอัถียิดถังนะการบวงเสวงมีผลอัถีหุตังการบูชามีผลอัฐีสุกตาทุกตานงางกรรมนางบลังวิบากโกวิบากผลกรรมดีกรรมชั่วทําดีทําชั่วเนี่ยมีผล อัธิอายังโลโกโลกนี้มีอัธิปโรโลโกโลกหน้ามีอัธิมาตามารดามีอธิปิดาบิดามีอัธิสตาโอปปาติกาโอปป า, าติกาศมีอัธิโลกเกสัมนาพระมนาสมัคคตาสมัมมาปฏิปันนาเยมันจะโรกังปรัญจาโรกังสยังวิญญาญาสจิกตวาเปเวเทนติสมนาครามทั้งหลายผู้พืช ด, ดีมีสัมมาปฏิบัติกระทาไม่แจ้งโลกนี้โลกหน้า และโลกอื่นด้วยพญญาด้วยตนเองย่อมประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามมีอยู่เนี่ยพวกนี้คือทัศวัตรสิทธ์เนี่ยนะพวกนี้เป็นอัติเกี่ยวกันในเร่องกันเขาเขาเชื่อตรงนี้ก็ตรงกันข้ามเลยใช่ไหมถ้ามันจะไปซับซ้อนหน่อยก็เรื่องการบูชายัญมหายัญเขาเชื่อมหายัญสมาธิถี่เขาเชื่อเขา เ, เขาเ้เขาใจยันถูกต้องด้วยใช่ไหมมองอหย่อออกในทรื่นี้เขาเ้าใจยันได้ถูกตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเอามีเวลาเจริญกุศลอันนี้กลุ่ม อธิที่นังอธิยิทั้งอธิหูทางเป็นต้วอย่างหูทางเป็นต้นเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้กลุ่มที่เขาเชื่อกุศลกรรมบทสิทและเขามีศรัทธาในการตัสรูของพระเจ้าเอาอย่างเราทั้งหลายอยู่กลุ่มนี้ไหมย <c oughs> อยู่กลุ่มนี้ใช่ไหมแล้วต้องให้ชัดในกลุ่มนี้มากๆตรงนี้ก็ต้องเอามาไข้ควรถ้าไข้ครวรอย่างนี้ก็ เ, เรียกว่าโลกียะสมาธิติเกิดแล้วเป็นกรรมสกทาสมาธิเชื่อกาและผลของกรำเชื่อกรรมและผลของกเอาเหล่านี้ก็เรียกเข้าใจในเรื่องกรรมเป็นอย่างดีด้วย เข้าใจกรรมแม้ระดับของสัตว์บุคคลแล้วไปถึงระดับของรูปนามขันห้าระดับของขันธาตุอายตนะเป็นผู้รับกรรมธาตุขันธาตุอายตนะเป็นผู้ทํากรรมมีแต่ธรรมะล้วนๆเท่านั้นเป็นไปอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทัศนาเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิด้วยเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเข้ามาแทรกซึมในกระแสขันธาตุอายตนะของท่านทั้งหลายด้วยเมื่อไรจะเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมเอาลองเห็นดูเถอะเห็นเข้าใจถูกแล้วไม่ใช่เป็นเข้าใจตเตลิดด้วยเนะ เข้าใจถูกแล้วมีส ม, มาธิฐิรอเลี้ยงแล้วก็ขยายวงจรส ม, มาทิฏฐินี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทีนี้ตรงนี้ก็เกี่ยวกันในเรื่องของภิกษุทั้งหลายก็ส ม, มาทิฏฐิที่เป็นอริยะที่เป็นนานาสวะเป็นโล ก, กุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉไหนภิกษุทั้งหลายปัญญาหนึ่งเห็นไหมโดูตามไปนะปัญญีสีหนึ่งปัญญาภละหนึ่งธรรมวิจยะสมโพธชงหนึ่งความบินชอดหนึ่งองค์แห่งมรรคหนึ่งของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมิจัดจิตหาอสวะไม่ได้ พลังพร้อมด้วยอริยมรรคนี่บรรลุยังเนี่ยจะเดินอริยมรรคอยู่นี่คือสมาธิทีท่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลภุตระเป็นองค์มรรคนี่ท่านพูดไว้สองส่วนเลยตรงเนี้ยพูดสูงเข้าไว้เลยพูดโลภุตระเข้าไว้ความพยายามของเธอนั้นเป็นสมาวย ม, มรรตรงนี้จะพึ่งข่อนแน่นาแค่ว่าเป็นองค์มรรคหนึ่งตรงเนี้ยเว้นวรแค่ตรงนี้นนนก่อนก็จะได้รู้ว่าตรงนี้ท่านพูดสองส่วนส่วนที่เป็นวิปัสสนาสมาธิที่เป็นภุเรจาริกอย่างหนึ่ง ส่วนที่เป็นโลกุตระสมาธิธิคือมรรคสมาธิซึ่งเป็นองค์มครรคแท้ๆน่นหนึ่งเห็นไหมแต่ท่านกล่าวสูงสุดเอาไว้ว่าเป็นองค์มครรคสรุปแล้วก็คือว่าในขณะมรมครคจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือว่าพุทชงมีไหมภาระมีไหมยินซีมีไหมเห็นไมมีความหมิ่นชอบในนั้นไหมมีความหมิ่นชอบด้วยและปัญญาก็อยู่ น, นปัญญยินรียปัญญาภาระธรรมวิจยะสำพุทธชงแล้วก็สมาธิธมรรค ที่เป็นองค์มรคนั่นแหละแล้วจิตเหล e ่านั้นถ้าโดยเฉพาะในมร์นี่เขาไกลจากกิเลสไกลจาก้าศึกไกลจากกรรมมาสวะภาวาสวะวิชาสวะอัญหาอาสวะมีได้คร้งพร้อมด้วยอริยมร์ทั้งพร้อมด้วยสัมมา i, ทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เป็นองค์มร์อยู่ในนั้นแหละก็พลังพร้อมกันอยู่ในนั้นแหละมาประชุมกันอยู่ที่โลกุตระนั่นแหละนั่นคือเป้าหมายใช่ไหมท่านถึงตั้งสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะเข้าไว้แล้วกกก็็บรริาาขอองเค้ื สมาธิถี่เป็นต้นจนถึงสมาสติเป็นที่สุดเหตุของ้เก็คือเหล่านี้นั่นคือองค์ประกอบด้วยเป็นเหตุด้วยนั่นจะไปประชุมรวมกันในโลกุตละแต่การที่จะไปประชุมรวมกันในโลกุตละได้ครบเนี่ยท่านจะพูดถึงปุเรจาริกวิปัสนาซึ่งเป็นปุเรจาริศที่เป็นตัวแพ่วทางทางตรงนี้ถ้าต้องการอ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจเปิดเปิดไปตรงไหนเปิดเป็นหน้าที่ร30ยสานี่ใช่ไหมให้สังเกตดูเนี่ยจะสอนจะแนะนําวิธีการอ่านพระไตรปิฎกใช่ไหมต้องการ นี่เราก็มาดูสมาธิที่สองเลยท่านคติบายบอกว่าที่เป็นอริยะเนี่ยอริยัก็แปลว่าไม่มีโทษใช่ไหมเพราะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเขาเรียกว่าอริยะเขาเรียกสมาสมาธิสมาสมาทิงไงได้แก่สมาธิที่เป็นมัชสะอุปนิสังอันมีเหตุไงก็แปลว่ามีเหตุปัจจัยส่วนคําว่าปะสับปริขารังมันมีองค์ ป, ง ป, รงประกอบก็แปลว่ามีองค์ประกอบองค์ประกอบของเขาคืออะไรเหตุของเขาคืออะไรสมาธิที่เป็นองค์ประกอบสมา ว่าสมาธิถี่สมาสังฆาสมมาวจารสมากรรมตตาสมาชีวสมมาวิมารสมาสต yes ิ7จ็ดองนี้เป็นเหตุปัจจัยของสมาสมาธิที่เป็นอริยะ7จ็ดองนี้เป็นสัพปริขารังเป็นองค์ประกอบของสมาสมาธิที่เป็นอริยะเห็นไหมก็ไปแวดล้อมอยู่นี่ท่านกำังอธิบายสมาธิถี่สประการเลยทีนี้ท่านใช้คําว่าประกอบแล้วเนี่ยปริคตาก็แปลว่าแวดล้อมแล้วแวดล้อมอะไรยังไงคือสมาธิถีเป็นประธานเนี่ยมาจากคำว่าสมาธิิปุพพังเข้ามาโหตีอ่ะ สมาธิถิเป็นหัวหน้าอยู่2 ส, ส่วนส่วนแรกเป็นวิปัสนาสมาธิถิที่เป็นปุเรจาริกก็แปลว่าเกิดก่อนเกิดก่อนลายเกิดก่อนมากคือสมาธิถิ่นั้นตัวสมาธิถีมีอยู่2ส่วนนะส่วนแรกก็คือทํากิจในการถางทํากิจในการวิจัยวิจัยอะไรวิจัยขันธาตุอยายตนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาโดยความไม่งามเอาวิจัยไปสิที่จริงท่าน พ, พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต้องเข้าใจเลยเนะ วิจัย2ส่วนส่วนปัจจาลักษณะกระสามัญญลักษณะคือพิจารณาลักษณะรักษปาปัจจุบันประทัด ฐ, ฐานของมิจฉาทิฐิของสมาทิฐิเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้เอาอะไรใส่ลงในกระแสความคิดเราจะรู้ได้ไงตอนนี้จิตเป็นสมาทิฐิหรือเป็นมิจฉาทิฐิเอารู้หรือไม่รู้ถ้าเราไม่รู้สูตรเนี้นะถ้าไม่มวิจัยตรงนี้เราจะไม่รู้หรอความคิดของเราเป็นไปกับสมาทิฐิหรือเป็นไปกับมิจฉาทิฐิเราจะไม่รู้เลยใช่ไหม เราเราก็พูดได้เราอ่านหนังสือออกอะ่ะเราฟังเข้าใจอะ่ะเอาสิเขาจะฟังด้วยสมาธิถี่หรือฟังด้วยมิจฉาทิถีแหละเพราะมิจฉาทิถีเขาก็ฟังรู้เรื่องเขาก็เข้าใจเขาก็จําได้เขาก็สามารถแสดงทัศนาความเห็นเป็นต้นได้แล้วเขาก็พูดได้ด้วยพูดนิ่มๆก็ได้มิจฉาทิถีนี่จะให้พูดนิ่มขนาดไหนนะพูดอ่อนๆยังได้เลยใช่ไหมคนเราเคยเสียหายเพราะมิจฉาทิถีมาเยอะแล้วเอาเขาไปต่อรองกันอะไรกันเนี่ย เขาใช้มิจฉาทิฏฐิต่อรองในผลสำเร็จเยอะแยะอย่าลืมนะบางคนเนี่ยใช้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยสามารถต่อรองได้ประฏิบเป็นปฏิบนี่ใช้มิจฉาทิฏฐินี่แหละไม่ธรรมดาเนี่ยบงคลหนักกว่านั้นอีกได้โลกเป็นใบๆเลยเห็นไหมเขาสามารถปกครองโรกได้เป็นใบๆบเลยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยฉะนัไม่ใช่ธรร ม, รา ม, รมดาแล้วมิจฉาทิฏฐิขอบข่ายก็กว้างมากก็าเราดูกลุ่มมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองโดยทีเราจะเห็นชัดว่าเขากินวงกว้างเป็นขนาดไหน ฉะนั้นกรณีที่วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องต้องอยังไงตั ว, วิปัสสนาสัมมาทิฏฐินั้นต้องผ่านกรรมมศกตาสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างดีแปลว่าคุณต้องเข้าใจกรรมมาอย่างดีแล้วใช่ไหมนัตถิทินังนัตถิยทธังนัตถิหุตังเวทเตอร์เหล่านี้ต้องชัดทั้งอัตถิทินังอัตถิยิทธังอัตถิหูตังเป็นต้องต้องชัดก็แปลว่าการเข้าใจในสัมมาทิฏฐิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิตรงนั้นชัด คือการมศกดาสัมมาทิฏิเนะี่ยต้องแชทว่าโ อ, อ้เนี่ยเข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจในเรื่องของผลของกรรมไม่ถูกพอพอเข้าใจกรรมผลของกรรมถูกเบียเศษก็เข้าใจลึกไปถึงที่หนึ่งว่าผู้ทํากรรมไม่มีพูดว่าผลของกรรมไม่มีมีแต่ทำรร ม, มาล้วนๆ น, นั้นเป็นไปอันนี้เห็นไหมวิจัยจนขนาดนั้นถ้าไม่ใช่สมาทิฏิไปวิจัยอะไรนั่นแหละคือสมาธิฏฐิที่เป็นวิปัสสนาสมาธิฏินะจึงไปเห็นกระแสของขันธ์ธาตุอายตนะเป็นผู้ทํากรรม แล้วก็กระแสของขันธท่าได้ยตนะเป็นผู้รับผลของกรรมถ้าไปวิจัยได้วมิจฉาทิฏฐิมันจะกลายเป็นนุ่นเป็นดินน้ําไฟลมเป็นสุขทุกข์เป็นชีวะหรือดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายก็ล่องลอยไปในอากาศการเกิอดอีกไม่มีเห็นไหมอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิวิจัยถ้าวิจัยมันจะหลุดโลกเลยอย่าแปลกใจถ้าหากว่ามิจฉาทิฏฐิวิจัยเนี่ยขันท่าได้ยตนาเนี่ยมันก็วิจัยไปวิจัยมาก็เป็นอุเฉตทิฏฐิบ้าง ขาศูนย์บ้างเป็นเป็นสดสตาทิถี่บ้างเห็นว่าเที่ยงบ้างใช่ไหมเห็นว่าดินน้ําไฟลมแล้วก็สุขทุกชีวะเที่ยงอย่างอื่นไม่เที่ยงหนีไอตัวนี้เที่ยงล่องลอยใบหาที่เกิดใหม่แล้วก็ไปสิงแล้วก็อยู่ในร่างของคนสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็ไปเห็นไหมทำดีทําชั่วไปบงการสัตว์เหล่านั้นให้ทําดีทําชั่วต่อไป แล้วก็เบสเสก็มีการฆ่าถูกฆ่าตายไปเสร็จไอตัวนี้ก็ไม่ยอมนิพพานทันทีหรอกไอตัวนี้ก็ล่องลอยไปแล้วก็ไปสิงเขาล่างใครก็ว่าไปไตัวอนูตัวนี้ไอตัวเกี่ยวกับเรื่องของชีวะตัวนี้นะถ้าใจยังเห็น ไ, ไหมนี่เขาเรียกว่าพวกสัตว์สตาทิถีอีกกลุ่มหนึ่งนี่เห็นไหมถ้าหากวิจัยในมิจฉาทิถีเนี่ยเขาเห็นเลยถึงบอกว่าอย่าไปอย่าไปเชื่อใครว่ามิจฉาทิถีจะไม่เข้าใจเรื่องธาตุเรื่องดินน้ำไฟลม โอ้ยท่าวิจัยเห็นน้ำเห็นรูปแล้วชัดนี่ปัญญาไม่จริงหรอนี่ไงมิจฉาทิฏฐิไงเห็นชัดไหมเขาเห็นน้ำเป็นรูปเลยเขาเข้าใจผิดนั่นะเขานักคิดเยอะแล้วนักคิดนักวิจัยต่างๆนี่เยอะดูพระไตรปิฎกดูยากนะี่ที่จริงที่จริงต่อไปพอดูดูไปแล้วก็โอ้เป็นอย่างนี้เองคนที่จะคนที่จะดูพระไตรปิฎกได้เข้าใจชัดคนที่เข้าใจพิธรรมนะเข้าใจพระพิธรรมดี พอมีพื้นฐานอภิธรรมดีก่อนเนี่ยนะการเข้าใจพิโรกเขาเริ่มเริ่มโลงขึ้นนี่นะแล้วนักเข้าเข้าไปดูกวามดีอื่นแต่ให้อภิธรรมนแน่นเป็นฐานไว้ก่อนเพราะจะไม่จับหยากให้ถูกก่อนเบื้องต้นเนี่ยบางคนบอกอุ้ยถ้าไม่เข้าใจ ถ, าถ้าไม่เข้าใจบาลีอะเราบอกโอ้ยบาลีเนี่ยถ้าถามบอกว่าในเบื้องต้นที่อายุมากๆทั้งหลายนยีไม่ทันใช้คําเดียวว่าไม่ทันใ่ไหมไม่ไม่ทางทันแต่ว่าขณะอภิธรรมยังจะไม่ทันอย <laughs> จะไม่ถูกตั้งหลักให้ถูกถ้าตั้งหลักไม่ถูกมันจะวิ่งเขายัมไงเอนนิเบรกขึ้นก่อนดีเอาตรงนี้เบรกถึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปมาวิจัยตรงนี้มาเพราะดูดูแลจะยาวหน่อยดูเอาเอาเครื่องอัด